อา จ, จออรอาร ย, ย์เจริญพรญาติโยมฮะอเหยียบเหยียบเยียบเมื่<า>อวานใครมาบ้างเมื่อวานยก ม, มือซิมีไหมเขาเกือบทั้งหมดเลยนะ <c oughs> ใครมาใหม่ยังไม่ได้มาเมาาื่อาวานเรามีไม่มาก เจสล่ะฝรั่งมาไหมวันนี้หรือฝรั่งหนีไปหมดแล้ว <c oughs> มีสามคนอีกเหรอลงทะเบียนไปเยอะแย <c oughs> <c oughs> ะเมื่อวานหลวงพ่อพยายามบอกพวกเรานะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการยกระดับจิตใจของเราการปฏิบัติธรรมมีสองอย่างอันนึงคือการทำ ความสงบจิตสมถากรรมฐานเป็นการฝึกให้จิตใจมีความสุขมีความสงบอีกอันหนึ่งเป็นการฝึกให้จิตใจมีสติมีปัญญาขึ้นมาเข้าใจความจริงของชีวิตของตัวเองของโลกนะเรียกว่าวิปัสนากรรมฐานศา ส, สนาพุทธเราไม่ได้หยุดอยู่แค่การทำสมาธิส่วนมากก็พอคิดถึงการปฏิบัติธรรมเราก็คิดถึงแค่การนั่งสมาธิการเดินจงกรม เราไม่รู้เราไม่สนใจว่าสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่านั้นอีกก็คือการเจริญปัญญาถ้าคนเขาถามเราว่าพระพุทธศาสนาคืออะไรเราต้องตอบให้ชัดเจนพระพุทธศาสนาเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาก็คือตัวสัมมาทิฏฐินั่นเองะงั้นถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิมีความรู้ถูกเข้าใจถูกมีความเห็นถูก เราก็เป็นชาวพุทธได้เข้าใจอะไรถูกเข้าใจว่าจริงๆอะไรเป็นตัวทุกข์อะไรเป็นตัวสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์อะไรเป็นความพ้นทุกข์อะไรเป็นข้อปฏิบัติเพื่อถึงความพ้นทุกข์ถึงความดับสนิทแห่งทุกข์เรียกว่ารู้จักอริยาศาศาสัจสี่นั่นเองถ้าเราไม่รู้จักอริยาาสัจสี่เรายังห่างไกลจากความเป็นชาวพุทธมากหัวใจของ ธรรมะเลยก็คือเรื่องของอริยสัจอริยสัจเนี่ยเป็นธรรมที่สาคัญที่สุดเลยตราบใดที่เรายังไม่รู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจเราอย่างต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกองทุกนี้ไม่มีที่สิ้นสุดชาติแล้วชาติเล่าไปเรื่อยๆถ้าเข้าใจรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจมีสามมาทิฏีิเต็มบริบูรณ์ขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็เราจะข้ามพ้นโลกได้ ก่อนจะเทศเมื่อกี้ก็มีคนมาถามหลวงพ่อว่านิพานเป็นยังไงนิพานเป็นไงนิพานเป็นสภาวะนิ่พ้นจากกิเลสไม่มีกิเลสเมื่อไม่มีกิเลสนิพานก็เลยพ้นจากความปรุงแต่งถ้ามีกิเลสมันก็มีความปรุงแต่งนิพานเป็นสภาวะที่พ้นจากความทุกข์คือถ้ายังมีความปรุงแต่งก็ยังมีความทุกข์อีกฉะนั้นนิพานมันมีจริงๆเป็นสภาวะที่สิ้นกิเลส สิ้นความปรุงแต่งสิ้นทุกเป็นสภาวะซึ่งเป็นอิสระอย่างแท้จริงมีความสุขอย่างแท้จริงคนธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเรานี้แหละมีโอกาสที่จะสัมผัสพระนิพพานถ้าเรารู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วก็เราลงมือปฏิบัตทิทําให้สมควรแก่ทาถ้าไม่รู้วิธีปฏิบัติคือไม่รู้ว่าเราต้องเจริญสติเจริญปัญญาให้มากนะอย่าทําแต่ความสงบอย่างเดียวเนี่ยเราไม่สามารถเข้าถึงพระนิพพานได้ พูดให้เจ้าท่านถึงสอนบอกว่าบุคคล น, นั้นถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาะงั้นสิ่งที่พวกเราต้องพัฒนานะก็คือปัญญาปัญญาก็เราจะเข้าใจอริยสัจนั่นเองเข้าใจว่าอะไรคือทุกข์อะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์อะไรเป็นความดับสนิทแห่งทุกข์อะไรเป็นข้อปฏิบัติเพื่อถึงความดับสนิทแห่งทุกขนะ์สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องเรียนถ้าไม่เรียนไม่มีทางรู้ได้เลยสิ่งที่เรียกว่าทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์นั้นคืออะไรนะ พระเจ้าท่านบอกว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบกับสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์ความปรารถนาและไม่สมปรารถนาเป็นทุกข์ความโศกเศร้าร่ําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเป็นทุกข์นี่ท่านสอนอย่างนี้แต่เวลาที่พวกเราได้ยินธรรมะอย่างนี้เราจะตีความให้กลับข้างไป ธรรมะของท่านท่านบอกว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากนะการประสบสิ่งไม่รักอะไรพวกนี้เป็นทุกข์เราก็ไปตีความไปสําคัญมั่นหมายว่าคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นทุกขนะ์มันมีคนขึ้นมาท่านไม่ได้สอนว่ามันมีคนนะจริงจริงมันไม่มีคนมันมีแต่รูปธรรมนามาทำที่มารวมกันชั่วคราวเราเรียกว่าคนให้นะนคนเป็นแค่สิ่งที่สมมุติบัญญัติขึ้นมาจากวัตถุที่มารวมกันเป็นรูปร่างแบบนี้แหละ มีจิตวิญญาณครอบครองอยู่เนธรรมะของท่านลึกซึง้งใหญ่ท่านสอนอีกบอกว่าขันทั้งห้าเป็นทุกข์ที่แรกท่านพูดถึงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์อันนั้นเป็นอาการปรากฏของทุกข์ลึกลงไปแล้วสิ่งที่เรียกว่าทุกข์จริงๆก็คือตัวขันห้าคือตัวรูปธรรมนามธรรมซึ่งประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเรานั่นเองตัวเนี้พอเราได้ยินว่าขันห้าเป็นทุกข์เราก็รู้สึกว่าใช่แล้วเราเข้าใจอริยสัจแล้ว ทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้วใจเราไม่เคยเห็นกันห้าเป็นทุกข์เลยใจเราเห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างใช่ไหมรู้สึกไหมร่างกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตใจเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมเนี่ยเราไม่รู้จักคําสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงการที่เราไม่สามารถเห็นความจริงได้ว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเราไม่สามารถเห็นความจริงได้ว่าจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อย นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเนี่ยเราไม่สามารถเห็นสิ่งเหล่านี้ได้เราถึงปล่ยวางความยึดถือในกายในใจไม่ได้นะเพราะเรารู้สึกว่ากายนี้ใจนี้เนะี่ยมันทุกบ้างสุขบ้างมันมีทางเลือกเฉะั้นใจเรานี้จะดิ้นรนหาความสุขตลอดเวลาอยากให้ร่างกายเป็นสุขอยากให้จิตใจเป็นสุขเราดิน้นรนที่จะหนีความทุกข์ตลอดเวลาก็อยากให้กายพ้นทุกข์อยากให้ใจพ้นทุกข์ เรียความอยากมันเกิดขึ้นเพราะเราไม่รู้ความจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้นล้นเราคิดว่ามันทุกข์บ้างสุขบ้างเราก็เลยเกิดความอยากอยากให้มีความสุขอยากให้พ้นจากความทุกข์เมื่อความอยากเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจิตใจจะยิ่งดิ้นรนมากกว่าเก่าจิตใจจะยิ่งดิ้นรนยิ่งปลุกแต่งยิ่งฟุ้งซ่านมากกว่าเก่าจิตใจหากความสุขหาความสงบไม่ได้เพราะมีความอยากเกิดขึ้ น, นจิตใจก็จะเข้าไปยึดถือในสิ่งต่างๆขึ้นมาถ้าเรา ไม่อยากมันก็ไม่ยึดนะมันมีความอยากขึ้นมามันก็จิตยานเข้าไปยึดไปเกาะสิ่งต่างๆเอาไว้มาเป็นตัวเราของเราทีแรกก็ยึดตัวเราก่อนร่ากายนี้เป็นตัวเราจิตใจนี้เป็นตัวเราทั้งๆที่ความจริงมันไม่ใช่ตัวเราเราสั่งมันไม่ได้จริงร่างกายมันเป็นของโลกเป็นวัตถุธาตุเรายืมวัตถุธาตุมาเบื้องต้นยืมเซลล์จากพ่อแม่มาคนละครึ่งเซลล์มารวมกันขึ้นมา ขาดจากนั้นก็มีอาหารมีน้ำมีอากาศอะไรมาหล่อเลี้ยงมก็ เ, เติบโตขึ้นมานะวันหนึ่งก็ต้องคืนให้โลกเข้าไปเนี่นเป็นของโลกมันเป็นสมบัติของโลกจิตใจนี้เป็นธรรมชาติรู้ที่เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปอยู่ตลอดเวลานะถึงวันหนึ่งมันก็ต้องคืนให้โลกเหมือนกันเราไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้เลยเมื่อเราไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้นะเราไม่เข้าใจหรอกว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้นล้นเราเราก็เห็นว่าเดี๋ยวก็สศกเดี๋ยวก็ทุกข์ เดี aroma, ๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเมื่อยังมีทางเลือกมันจะดิ้นรนไม่เลือกไม่เลิกหรอกแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเห็นแจ้งว่ามันทุกข์ล้วนๆเนี่ยมันจะหมดความดิ้นรนหมดความอยากทันทีเลยวันใดที่เราเห็นความจริงว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยความอยากให้กายเป็นสุขจะไม่เกิดขึ้นจะอยากได้ยังไงในเมื่อความจริงก็คือมันเป็นทุกข์จะไปอยากให้มันมีความสุขได้ไงมันเป็นความอยากที่ไร้เดียงสาของมันเป็นทุกข์อยากให้มันเป็นสุข ยังไงมันก็ไม่สมอยากยังไงก็ยิ่งทุกข์มากกว่าเก่านะหรือเราอยากให้ร่างกายมีความสุขนะอยากให้ร่างกายมีความสุขมากๆความอยากนี้จะไม่เกิดเลยถ้าเรารู้ความจริงว่ากายเป็นตัวทุกข์ก็มันเป็นตัวทุกข์จะอยากให้มันสุขได้อย่างไงมันเะป็นตัวทุกข์จะอยากให้มันพ้นทุกข์ได้อย่างไรนี่ยเรามาเรียนรู้เพื่อให้เห็นความจริงของกายเราก็จะหมดความยึดถือในกายถ้าเราเรียนรู้ให้เห็นความจริงของจิตใจ จิตใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกว่ทุกข์น้อยไม่ใช่มีทุกข์กับสุขความอยากจะให้จิตเป็นสุขจะไม่เกิดขึ้นความอยากให้จิตพ้นทุกข์จะไม่เกิดขึ้นจะอยากทําไมมันเป็นความอยากที่ไรเดียงสาของมันเป็นทุกข์แล้วจะอยากให้มันพ้นจากทุกข์มันเป็นไปไม่ได้เหมือนไฟมันร้อนจะอยากให้มันไม่ร้อนเป็นไปไม่ได้น้ําแข็งมันเย็นเจะอยากให้มันร้อนมันเป็นไปไม่ได้นะไฟมันร้อนแล้วจะอยากให้มันเย็นก็เป็นไปไม่ได้มันต้องเป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละ จิตใจนี้เป็นทุกข์เราจะไปอยากให้มันเป็นสุขมันเป็นความไร้เดียงสาของจิตของเราเองจิตใจนี้เป็นทุกข์เราอยากให้มันพ้นจากความทุกข์นี่ก็เป็นความไร้เดียงสาของเราเองเนี่ยการที่เราจะสามารถมาเห็นความจริงได้นะว่ากายเป็นทุกข์ล้วนๆจิตเป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยเป็นการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่มากเลยเป็นการเรียนรู้ที่คนทั้งหลายนึกไม่ถึงในโลกนี้ใครๆก็เกลียดทุกข์ใครๆก็กลัวทุกข์มีแต่พระพุทธเจ้านะสอนให้เรารู้ทุกข์ ให้เราไปเชิญหน้ากับสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ทุกข์อยู่ที่กายให้เรียนรู้ลงที่กายทุกข์อยู่ที่จิตใจให้เรียนรู้ลงที่จิตใจเรียนรู้เพื่อวันหนึ่งจะแจ้งในความจริงนะว่าจริงๆแล้วกายนี้เป็นทุกข์ล้นล้วนจิตนี้เป็นทุกข์ล้นล้วนแต่ถ้าเขาเป็นทุกข์ของเขาอยู่แค่นั้นเราไม่เดือดร้อนด้วยนี่พอเราไปยึดถือเอากายเอาใจมาเป็นตัวเราเป็นของเราขึ้นมาพอกายมันทุกข์แล้วเราก็รู้สึกเราทุกข์จิตมันทุกข์เราก็รู้สึกมันทุกข์ แท้จริงกายมันทุกข์แท้จริงจิตมันทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์นะนีถาหัภาวนาจนเห็นความจริงเลยกายไม่ใช่ตัวเราจิตไม่ใช่ตัวเรากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆความจริงสองข้อนี้แหละที่เราต้องเรียนรู้ถ้าเราได้เรียนรู้ความจริงจนเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตนี้ไม่ใช่ตัวเรานั่นเป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันนะเราไม่ไม่หลงผิดอีกต่อไปแล้ว ถ้าเมื่อไหรเราภาวนาไปเราศึกษาเรียนรู้ความจริงเรีนเห็นในยกายนี้เป็นทุกข์รุ่นรุจิตเป็นทุกข์รุ่นรุ่นถ้าเห็นอย่างนี้ได้มันจะสลัดคืนกายคืนจิตให้โลกเมื่อไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือจิตแล้วจะไม่ยึดถืออะไรอีกแล้วสิ่งที่เรารักที่สุดหวงแหนที่สุดยึดถือที่สุดก็คือกายกับจิตของเรานี่เองถ้าเราไม่ยึดถือในกายไม่ยึดถือในจิตแล้วจะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีกถ้าหมดความยึดถือในสิ่งต่างๆแล้วเนี่ย อันนี้เป็นความพ้นทุกข์สิ้นเชิงและนะถ้าสั้างลกก็สมมติเรียกว่านี่คือพระอรหันตะ์แต่ในทางธรรมแล้วพระอรหันต์ท่านไม่คิดว่าท่านเป็นพระอรหันต์หรอกท่านเห็นความจริงแล้วว่ามีแต่สภาวะธรรมเป็นของโลกนะมีแต่สภาวะธรรมที่เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปอันนี้หลวงพ่อโป้พื้นให้เห็นภาพกว้างๆ ก, ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยลงว่าวิธีปฏิบัติยังไงที่เราจะได้เห็นความจริงว่า ว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราใจนี้ไม่ใช่ตัวเรากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆถ้าเมื่อไหร่เห็นว่ากายใจเป็นทุกข์ล้วนๆนะมันจะไม่ยึดถือะที่เรายึดถือสิ่งต่างๆเพราะเราไม่เห็นทุกข์เห็นโทษอย่างตอนเด็กๆนะเด็กเมืองไทยเด็กเมืองนี้อาจจะไม่มีอย่างเห็นถ่านไฟแดงๆนะถ่านติดไฟใครเคยเห็นถ่านใครเคยเห็นไหมอยู่ที่นี่เคยเห็นบ้างไหมเออ เวลาทำกับข้าวบางอย่างใช้ฐานนะพิ้งปลาพิ้งอะไรนะสมัยโบราณฐานนั้นมันสวยนะเวลามันติดไฟผู้ใหญ่ก็บอกเด็กอย่าไปจับมันนะเด็กมันอยากจับมันสวยนะผู้ใหญ่ห้ามไม่ให้จับแต่มันอยากจับเพราะมันรู้สึกว่าเป็นของดีแต่วันใดที่มันไปจับเข้าแล้วมันรู้ว่าไม่ดีเลยเป็นทุกข์เป็นโทษมือพองไปเลยนะหลังจากนั้นจะเรียกให้มันจับมันจะไม่จับอีกแล้ว จิตเรานี้ก็เหมือนกันจิตเราไม่รู้เราว่าขันเนี่ยเหมือนฐานไฟแดงๆขันห้ากายใจเราเป็นทุกข์เป็นโทษเราไม่เห็นเราก็ยังยึดยังถืออยู่เราก็แบกเอาความทุกข์อยู่เรื่อยไปถ้าวันใดเราเห็นความจริงว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตเป็นทุกข์ล้วนๆเหมือนฐานไฟแดงๆเลยไม่ใช่ของดีของวิเศษต่อไปแล้วจะไม่หยิบขึ้นมาอีกแล้ววางแล้ววางเลยเพราะนั้นตัวที่จะทําให้เราปล่อยวางได้อย่างแท้จริงนะั่นคือตัวปัญญาคือตัวความเข้าใจที่ถูกต้องนั้นเอง ล้ำพังการปล่อยวางด้วยสมาธินั้นตื้นมากไปทำสมาธิก็วางได้ชั่วคราวพอออกจากสมาธิก็กลับไปยึดใหม่นะนีการทำสมาธิแก้ปัญหาได้ชั่วคราวเหมือนคนไม่สบายนะเป็นโรคอะไรร้ายแรงแล้วหมอให้กินยาแก้ปวดหรือฉีดยาแก้ปวดให้การทำสมาธิก็เหมือนยาแก้ปวดเท่านั้นเองแก้ปัญหาชั่วคราวเดี๋ยวก็หมดฤทธิ์ยานะกลับมาปวดอีกอยังไม่ได้แก้ที่ต้นต่อของโรค นะการเจริญปัญญาเนี่ยเป็นการแก้ต้นต่อของโรคเลยถ้าทําสําเร็จแนละ้วก็ไม่เป็นโรคอีกแล้วนะใจก็พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงในสิ่งเหล่านี้นะชาวพุทธเราไม่ค่อยมีโอกาสได้เรียนเพราะเราคิดถึงการปฏิบัติทำทีไรเราก็จะไปนนั่งสมาธิให้จิตนิ่งนิ่งไปเดินจงกรมให้จิตนิ่งนิ่งนะมีวิธีฝึกตั้งมากมายเยอะแยะไปหมดเลยถ้าจริงการทําสมาธิทําให้จิตสงบเนี่ยเป็นเรื่องไม่ยากเท่าไหร่หรอก ถ้ารู้หลักหลักของการทำสมาธิมีนิดเดียวเองคือน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องแค่นั้นเองงั้นถ้าเราอยากทำความสงบจิตนะถามว่ามีประโยชน์ไหมมันก็มีเอาไว้เป็นที่พักผ่อนถ้าจิตเจริญปัญญารวดไปเลยไม่มีสมาธิไม่มีที่พักผ่อนมันเหนื่อยเกินไปมันเหมือนเราทำงานอย่างเดียวไม่ได้พักผ่อนเลยนะสุดท้ายร่างกายก็ทนไม่ไหว จิตนี้ก็เหมือนกันมันเจริญปัญญารวดไปเลยนะไม่มีที่พักผ่อนมันก็อยู่แบบลำบากพอนานลำบากแห้งแรงมากนะแล้วไปแบบลำบากแต่ว่าถ้าพักผ่อนอย่างเดียวไม่เจริญปัญญานะยังไงก็ไปไม่รอดอยากรวยนะแต่นอนลูกเดียวเลยมันจะรวยได้ยังไงใช่ไหมไปไม่รอดดังนั้นการทําสมาธิทําสมาธานี่มีประโยชน์ทําให้จิตใจได้พักผ่อนมีเรี่ยวมีแรง มีเที่มีแรงแล้วก็ต้องไปทํางานคือมาเจริญปัญญามาเรียนรู้ความจริงของกายของใจจนวันหนึ่งเห็นความจริงของกายของใจนะกายนี้ไม่ใช่ตัวเราใจนี้ไม่ใช่ตัวเรากายนี้เป็นทุกข์รุนรุนใจนี้เป็นทุกข์รุนๆุเราจะเห็นได้นะถ้ารู้วิธีนี่ก่อนจะไปถึงการทํำวิปัสสนาหลวงพ่อจะแถมเรื่องสมถานิดหนึ่งสมถะการทําจิตให้สงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะให้รู้จักเลือกให้รู้จักเลือกอารมณ์ ถ้าคนไหนอยู่กับพุโทโธแล้วมีความสุขเราอยู่กับพุโทโธคนไหนหายใจมีความสุขอยู่กับลมหายใจสมถะเนี่ยไม่เลือกอารมณ์นะใช่อารมณ์อะไรก็ได้อารมณ์หมายถึงสิ่งที่จิตไปรู้เข้าคือตัว objective อารมณ์คือสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะจิตเป็นคนไปรู้อารมณ์หลักของสมถะเนี่ยน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวนี่สิ่งที่เรียกว่าอารมณ์นั้นมันมีสามชนิดอารมณ์ชนิดที่หนึ่งนะเรียกว่าอารมณ์บัญญัต คือ เ, เรื่องราวที่เราคิดขึ้นเองเช่นเราคิดภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธเนี่ยพุโทโธเป็นอารมณ์บัญญัติไม่ใช่รูปธรรมไม่ใช่นำมารมเป็นความคิดลอยๆของเราเองการพิจารณาปฏิกูลพิจารณาอาสุภะเนี่ยพิจารณาเห็นร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะเนี่ยเป็นเรื่องของการทําสมถะนะเพราะปฏิกูลอสุภะเนี่ยไม่ใช่วิปัสนาไม่มีสภาวะทำรองรับนะอย่างเราไปเห็นซากศพนะเราบอกว่าสกปรก มแมลงวันบอกหอมมากชื่นหลงชื่นใจนะเนี่ยมันไม่มีสภาวะที่แท้จริงรองรับเป็นเรื่องที่เราคิดคิดเอาแต่ละคนก็คิดไม่เหมือนกันได้สมมุติไม่เหมือนกันได้บัญญัติไม่เหมือนกันได้การทําสมาธิทำสมถะนะใช้อารมณ์ของบัญญัติก็ได้เช่นเราบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยนะใจชอบพุทโธก็อยู่กับพุทโธไปจิตก็สงบหรือจะอยู่กับสัมมาระหังอยู่กับนามาพาาัทนะบริกรรมอะไรก็ได้นะ บริกรรมกระทั่งชื่อแฟนอย่างได้เลยเมื่อก่อนนี้หลวงพ่อไปเรียนจากหลวงพ่อพุธฐานิโยที่โกราชหลวงพ่อพุทธท่าเล่าให้ฟังว่ามีพระบวดใหม่องค์นึงนะเป็นพวกปัญญชนนี่แหละมาบวชท่านให้บริกรรมพุทธโธปรากฏบริกรรมพุทธโธพุทธโธไม่กี่คํานะองคเนี้ยจิตของท่านหนีไปบริกรรมชื่อแฟนท่านับริกรรมชื่อแฟนนะท่านตกใจรีบมากราบหลวงพ่อพุทธบอกใจผมทําบาปมากแล้วผมจริงพระพุทธเจ้าไปหาแฟนลนะ หลพ่อพุธท่านบอกให้บริกรรมชื่อแฟนไปเลยนะเพราะจิตมันชอบนะท่านก็โอ้อาจารย์บอกให้บริกรรมชื่อแฟนได้นะสบายใจสบายใจบริกรรมไปด้วยนะจิตสงบอยู่ในอารมณ์ันเดียวได้นะเพราะงั้นอารมณ์ของสมถะเนี่ยอารมณ์ที่คิดเอาเองก็ได้นะหรือเราคิดพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอาสุพะนะหรือเราฝึกพลังปราณฝึกโยคะฝึก ชี้กงฝึก อ, อะไรอย่างเงี้ย น, นะให้จิตมันสงบอยู่ในอารมณ์ันเดียวเป็นสมถะได้ทั้งหมดเลยนะอารมณ์ชนิดที่สองเรียกว่าอารมณ์รูปนามเป็นอารมณ์ปรมัดนะเป็นอารมณ์ที่มีจริงรู ป, ปรธรรมสิ่งที่เป็นรู ป, ปรธรรมก็คือธาตุดินน้ำไฟลมอะไรพวกนี้เป็นรู ป, ปรธรรมนะอารมณ์ที่เป็นนามธรรมาเช่นความสุขความโทุกขกุศลอกุศลทั้งหลายนะนี่เพื่อเป็นนามธรรมานะเราใช้อารมณ์รูปนามนะมาทำสมถะก็ได้ เช่นเรานั่งเพง่งเห็นร่างกายมันหายใจเราเพ่งอยู่กับลมหายใจ <spe ll ant> เพ่งไปเรื่อยให้จิตสงบอยู่กับลมหายใจจิตไม่หนีไปไหนเลยนะเพ่งอยู่ที่ลมหายใจอย่าเงี้ยก็ได้ความสงบเหมือนกันนะหรือเพ่งอยู่ที่จิตจิตหนีไปคิดเรารู้ทันจิตก็กลับมาสงบจิตหนีไปคิดเรารู้ทันจิตก็กลับมาสงบอันนี้ก็ทําสมถะได้นะอารมณ์ชนิดที่สามอารมณ์แรกนะคืออารมณ์บัญญัติคือเรื่องที่คิดขึ้นเอง อารมณ์ชนิดที่สองเนี่ยเป็นอารมณ์รูปนามรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจอย่างหลายคนไปฝึกภาวนาอย่างดูท้องฟองยุบนะจิตไปจอะอยู่ที่ท้องท้องท้องฟองยุบอยู่นะไปเพ่งอยู่ที่ท้องอันนี้เป็นสมถะนะไม่ใช่วิปัสสนาจิตเป็นเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะอารมณ์ชนิดที่สามชื่อพระนิพพานอารมณ์นิพพานแต่พวกเราไม่สามารถเอาพระนิพพานมาทาสมถกรรมาฐานได้ เพราะพวเราเป็นบุถุชนบุตุชนไม่เคยเห็นพนิพพานเพราะฉะั้นจะไปเอานิพพานมาทําสมถาเนี่ยทำไม่ได้นะอารมณ์นิพพานเนี่ยจะใช้ทําสมถะได้เฉพาะพระริยาบุคคลขึ้นไปถ้าเป็นพระโสดาสกตาขาพระนาคาเนี่ยยังไม่แจ้งพระนิพพานเคยเห็นพระนิพพานแต่ไม่แจ้งวิธีที่จะเอาอารมณ์นิพพานมาเป็นอารมณ์นะก็ต้องดูจากรูปนามก่อนดูรูปนามเป็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยจิตวางรูปนามให้เปนนิพพาน แต่ถ้าเป็นพระรหันต์เนี่ยเวลาท่านคิดถึงพระนิพพานนั่นนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานั้นนาซิการ น, น้อมใจถึงพระนิพพานก็เห็นต่อหน้าต่อตานะสัมผัสจิตเข้าสัมผัสพระนิพพานเลยมีความสุขอยู่ตรงนั้นเลยเนะอารมณ์อย่างเนี้อารมณ์บัญญัตินะอารมณ์รูปนามแล้วก็อารมณ์นิพพานสิ่งเหล่านี้ใช้ทําสมถะได้ทั้งหมดเลยวิธีทําสมถะก็ใช้หลักเดียวน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุข นะแต่มีเงื่อนไขนิดเดียวอารมณ์นั้นต้องไม่ยั่วกิเลสถ้าเป็นอารมณ์ที่ยั่วกิเลสเนี่ยจิตใจจะไม่มีความสุขจริงหรือมีความสุขนะไม่นานก็ฟุ้งซ่านนะอย่างชอบเล่นไพ่เล่นเล่นไพ่อย่างเดียวเลยไม่ทําอะไรในวันวันเล่นแต่ไพนะ่จิตใจมีความสุขตํารวจมายังไม่รู้เลยนะสงบอยู่นั้นแหละนะแต่ว่ากิเลสมันเกิดง่ายงั้นเราเลือกอารมณ์นะ เคล็ดลับของการทําสมถะเนีถ้าเราเข้าใจเคล็ดลับแล้วง่ายนิดเดียวเลยในการที่จะทําให้จิตสงบนี่ไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่อะไรเลยมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำไปนี่ต่อมาเป็นเรื่องของวิปัสสนาอันนี้พวกเราชาวพุทธต้องแม่นต้องรู้จักถ้าเราไม่รู้จักวิปัสสนาเนี่ยเราห่างไกลจากความเป็นชาวพุทธมากเลยวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยหมายถึงการที่เรามาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกาใจของสิ่งซึ่งเคยประกอบกันเป็นตัวเรานี้แหละ สิ่งที่เรียกว่าตัวเราตัวเราก็คือขันห้าบางทีก็แยกออกไปเป็นอายตนาหกนะสิ่งที่เรียกว่าตัวเราแยกเป็นขันห้าก็ได้เช่นเป็นรูปมีรูปนะมีเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์สัญญาคือความจําได้ความหมายรู้สังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่ววิญญาณเป็นความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นแกใใ๊กใจคือจิตที่ไปเกิดทางตาหูจมูกลิ z, ้นแก๊กใจเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานีมันก็คือไอ้ห้าอย่างนี้มารวมกัน หรือบางคนเขาไม่แยกเป็นขันห้าแต่เขาแยกเป็นอายตนาหกนะสิ่งที่เรียกว่าตัวเราประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายตาหูจมูกลิ้นกายมันจริงจริก็รวมลงมาเป็นรูปนั่นเองใช่ไหมแล้วก็ใจใจก็คือนา ม, มาทําทั้งหลายนะแยกอย่างนี้ก็ได้แยกได้อีกหลายแบบนะแยกเป็นาธาตุก็ได้นะธาตุสิบแปดอย่างแยกเป็นอินทรีย์ยี่สิบสองอย่างก็ได้นะ และแต่จะแยกรวมความคือแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยออกเป็นส่วนย่อยๆแล้วเพื่อจะได้เห็นว่าแต่ละส่วนย่อยๆนั้นไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงวิธีการอย่างนี้เรียกว่าวิพัชชวิธีนะวอลแวนสลายพอสำเพอไม่หายอากาศชอช้างดับเบิ้ลชอเลยนะชอช้างสองตัววิพัฒ ช, ชะวิธีวิธีแยกวิธีแยกเนี่ยเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้านํามาใช้ เพื่อให้เห็นว่าสิ่งที่เคยเห็นว่าเป็นตัวเรานั้นในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ตัวเราหรอกยกตัวอย่างอย่างเรามีรถยนต์หนึ่งคันรถยนต์มีอยู่จริงๆในความรู้สึกของเราแต่เราพาอเอ า, ารถยนต์มาถอดเป็นชิ้นๆเราจะพบว่าลูกล้อไม่ใช่รถยนต์แล้วใช่ไหมใครเห็นลูกล้อเป็นรถยนต์บ้างรถยนต์มีลูกล้อใช่ไหมแต่ลูกล้อไม่ใช่รถยนต์เนี่ยตัวเรามีรูปแต่รูปไม่ใช่ตัวเราจนะารู้สึกค่อยๆแยกออกไป เนี่ยพอมมารวมกันเข้ามาเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะก็รู้สึกเป็นตัวเราพอแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆแล้วจะพบว่าไม่ใช่ตัวเราเหมือนรถยนต์เห็นว่ามีรถยนต์อยู่ทนโทษต่อหน้าต่อตานั่นแหละแต่พอมาแยกออกเป็นชิ้นๆแล้วแต่ละชิ้นจะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวรถยนต์อีกต่อไปแล้วพวงมาลัยไม่ใช่รถยนต์ใช่ไอมกันชนไม่ใช่รถยนต์ตัวถังไม่ใช่รถยนต์เบาะไม่ใช่รถยนต์ะเครื่องยนต์ก็ไม่ใช่รถยนต์ถังน้ํามันก็ไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหม เกียเกอะไรเนี่ยเบรกเลิกเนี่ยแต่และอย่างแต่และอย่างพอแยกออกมาแล้วไม่ใช่รถยนต์เนี่ยพระพุทธเจ้าใช้วิธีนี้แหละเพื่อจะมาสอนให้เราเห็นว่าตัวเราไม่มีแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆ น, นะวิธีแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆ น, นะขั้นแรกต้องฝึกให้จิตเป็นคนดูให้ได้ก่อนตอนนี้ใครจิตออกนอกบ้างใครจิตออกนอกบ้างนะจิตออกไปไหนไปดูคนเขาเอาของมาวางนะเนี่ยจิตออกนอกนะ เห็นไหมตอนที่เรามาดูคนเอาของมาวางเราลืมตัวเราเองไปแล้วเรามีกายเราลืมกายเรามีใจเราลืมใจเพราะฉะนั้นก่อนจะมาแยกตัวเองเป็นชิ้นชิ้นได้นะต้องรู้สึกตัวก่อนนะถ้าใจออกนอกไปนเนี่ยไม่สามารถมาแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆได้หรอกงั้นจิตต้องตั้งมั่นก่อนจิตตั้งมั่นเนี่ยคือสมาธิที่เมื่อวานหลวพอบอกสมาธิชนิดที่สองงั้นขั้นแรกนะก่อนที่จะมาแยกตัวเป็นชิ้นชิ้นได้มาฝึกให้จิตตั้งมั่นซะก่อน วิธีฝึกให้จิตตั้งม pues ั่นเนี่ยใช้วิธีรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดะจิตไหลไปคิดทั้งวันแหละเรารู้ทันมันเราเบื้องต้นเราจะพุทโธก็ได้หายใจก็ได้นะแต่ว่าไม่ใช่ทําเพื่อน้อมจิตจะอยู่กับพุทโธไม่ใช่ทําเพื่อน้อมจิตจะอยู่กับลมหายใจแต่ทําเพื่อรู้ทันเวลาจิตหนีไปคิดพาจิตหนีไปคิดเรารู้จิตหนีไปคิดเรารู้ใจเราจะตั้งมั่นขึ้นมาันจะไม่ไหลอย่างนี้จิตหนีไปดูใช่ไหมจิตหนีไปฟังเนี่ยมันจะออกไปนอกหมดเลย จิตนี้ไปคิดจิตก็ไหลออกไปข้างนอกแะไม่ตั้งมั่นให้เรารู้ทันจิตที่ไหลไปคิดนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมามีสมาธิที่แท้จริงขึ้นมาสมาธิอย่างนี้ไม่ใช่สมถะละเป็นสมาธิที่จะใช้เดินปัญญาพอได้สมาธิชนิดนี้แล้วเรามาแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเป็นส่วนๆดูร่างกายกับจิตใจว่าเป็นคนละส่วนวิธีดูดูยังไงบางคนไม่ต้องมีวิธีเลยนะถ้าในอดีตเขาเคยเจริญปัญญามาแล้ว พอจิตเขาตั้งมั่นขึ้นปุ๊บนะขันมันแยกตัวเลยสิ่งที่เรียกว่าตัวลําแยกเป็นส่วนๆเลยหลวงพ่อไม่รู้จะยกตัวอย่างใครยกตัวอย่างตัวเองก็แล้วกันเนาะไม่ได้ขี้โอโวัตนะไม่มีนิสัยจะไปโอโวัตอย่างนั้นหรอกแต่ไม่รู้จะยกตัวอย่างอะไรให้ฟังหลวงพ่อไปเรียนจากหลวงปู่ดูลนะหลวงพ่อทำสมถะตั้งแต่เจ็ดขวบทําอยู่ยี่สิบสองปีนะขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นไม่รู้เลยว่าวิปัสสนาเป็นไงคิดแต่ว่าถ้านั่งสมาธิไปเรื่อยๆวันหนึ่งจะบรรลุมรรคผลนิพพาน นั่งมายิบสองปีไม่เห็นมันจะบรรลุอะไรเลยนะมีแต่สงบอย่างเดียวเอาไปเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตใจตนเองหลวงพ่อก็มาดูเลยเอย๊จะดูจิตดูจิตจะดูยังไงทีแรกก็คิดว่าจิตนะี่ต้องอยู่ในร่างกายนะก็นั่งสมาธิไปนะทําใจให้สบายดูที่ผมผมเป็นจิตหรือเปล่านะก็ไม่เห็นจิตอยู่ในผมดูขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะจากหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวไล่ขึ้นไล่ลงนะ ดูว่าจิ ต, อ ย, ต, Bella, จตอยู่ตรงไหนในร่างกายไม่พบว่าจิตอยู่ตรงไหนในร่างกายรู้ว่าจิตมันอยู่ในนี้แหละแต่อยู่ตรงไหนเน่ยหาไม่เจอหรือรู้ว่าก็มาคิดต่อหรือว่าจิตมันอยู่กับความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ทำสมาธิขึ้นมาใจมีความสุขทาสมาธิใจมีความสุขขึ้นมาดูลงไปในความรู้สึกสุขความรู้สึกสุขดับไปไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมา นั่งให้นานเลยคราวนี้นั่งให้นานให้มันปวดให้มันเมื่อนะปวดเท่าไหร่ก็ไม่กระดิกเลยนั่งดูไปในความรู้สึกปวดดูตั้งนานเนะี่ยความรู้สึกปวดหายไปเพราะมันชานะพรมันชาเป็นเพาหายปวดไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาเลยก อ, อจิตือไม่ใช่ความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์นะหรือว่าจิตคือความคิดคิดอย่างนี้จองใจคิดเลยคิดบทส่วนมนพุทธโธสุดๆโธกรุณ า, ามหันนาโว พระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันต์เอาคิดบทสวดมนต์นะใจไปรู้ว่าจิตคิดเข้าพอเรารู้ว่าจิตคิดเท่านั้นจิตรู้ก็เกิดขึ้นมาเลยไได้เคล็ดลับนะถ้าเมื่อไหร่รู้ทันว่าจิตคิดนะจิตรู้จะเกิดขึ้นจิตรู้อยู่ในกายนี่แหละแต่ไม่ได้อยู่ตรงไหนของกายจิตรู้เป็นคนรู้เวทนานะแต่ไม่ได้อยู่กับเวทนาไม่ได้อยู่ตรงไหนของเวทนาคนละส่วนกันเรียกคนที่เคยฝึกมานะ พอจิตตั้งมั่นขึ้นมาปุกขันมันจะแยกเลยมันจะแยกตอนเด็กๆสักสิบขวบได้มั้งสัก1สิบขวบบ้านหลวงพ่อเป็นตึกแถวนะบ้านในตอนเด็กๆไฟมันไม่ใกล้ ๆ, ลๆบ้านห่างไปสามสี่ห้องหรือห้าห้องเลยจำจำนวนเลขไม่ได้ชัดนะถ้าบอกว่าเลขชัดๆเดี๋ยวไปซื้อหวยอีกนะมันไม่แน่ รู้แต่ว่าไฟมันไหม้พอเห็นไฟไหม้นะตกใจพอตกใจเนี่ยลุกขึ้นวิ่งจะไปบอกพ่อไปเล่นอยู่หน้าบ้านนะเล่นอยู่หน้าบ้านพอเห็นไฟไหม้ก็ลุกขึ้นมาวิ่งจะไปบอกพ่อก้าวที 1, ่หนึ่งก้าวที่สองพอก้าวที่สามปุ๊บนะมันไปเห็นจิตที่ตกใจเขา้าไปเห็นจิตที่ตกใจนะจิตมันดีดผางออกมาเป็นคนดูเลยพอจิตมันดีดออกมาเป็นคนดูได้มันเห็นร่างกายมันยืนอยู่นะจิตเป็นคนดูเนี่ยขันมันแยกเลย นี่พวกเราบางคนเนี่ยขันแยกได้เร็วบางคนมันไม่แยกถ้ามันไม่ได้เจริญปัญญามาแต่ก่อนๆ น, นะขันมันไม่แยกง่ายเราต้องช่วยมันวิธีที่จะหัดแยกขันนะคือพอใจเราเป็นคนดูแล้วค่อยๆสังเกตลงไปะใจเป็นคนดูเนี่ยเกิดจากการรู้ทานจิตที่หนีไิคิดนะแล้วใจมันจะเป็นคนดูขึ้นมาพอใจเป็นคนดูแล้วรู้สึกสบายๆอย่ารีบร้อนทุรนทุรายที่จะแยกขันค่อยๆดูลงไปร่างกายมันนั่งอยู่ ใจเราเป็นคนดูเห็นไหมร่างกายมันนั่งทําใจสบายเห็นร่างกายมันนั่งช่วยมันขยับหน่อยก็ได้เห็นร่างกายมันขยับใจเราเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายมันหายใจใจเราเป็นแค่คนดูนะค่อยๆฝึกเงี้ยในสุดเราจะแยกได้ว่ากายกับใจเนี่ยเป็นคนละอันกันร่างกายเคลื่อนไหวไปใจเราเป็นคนดูมันจะเห็นร่างกายเนี่ยเหมือนร่างกายของคนอื่นนะเวลารู้สึกเนี่ยจะรู้สึกเหมือนร่างกายคนอื่นแล้วใจเราเป็นคนดูอยู่หัดแยกไปเรื่อย ฟังแรกๆอาจจะยากนะฟังแรกๆอาจจะยากจริงๆแล้วการปฏิบัติไม่ยากอะไรถ้าทําค่อยๆทําไปไม่รีบร้อนนะไม่ยากหรอก น, นั่งสบายๆทุกคนนั่งอยู่แล้วใช่ไหมนั่งอยู่แล้วทําใจให้สบายยิ้มก่อนยิ้มหนึ่งทีเนี่ยสังเกตไหมตอนยิ้มแล้วใจเราคลายออกมีความสุขใช่ไหมเนี่ยเห็นร่างกายพยักหน้าไหมนะดูไปสบายๆดด้วยใจที่โปร่งโล่งเบามีความสุคนี้แหละ ดูไปรู้สึกดูไม่ได้ดูด้วยตานะแต่แค่รู้สึกด้วยใจถึงความมีอยู่ของร่างกายนะรู้สึกแต่สบายสบาๆกระดุกกระดิกหน่อยอทุกคนขยับมือขยับมือซิขยับสบายๆนะขยับสบายไม่ต้องอย่างนี้นะ mm. เกร ง, งนี้ไม่ได้เรื่องหรอกนะสบายๆนะให้รีแลกซ์นะให้ผ่อนคลายใจเราเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายเคลื่อนไหว ใจเราเป็นคนดูค่อยๆฝึกนะเดี๋ยวกลับไปบ้านลองไปทํานะอืแต่ต้องบอกคนที่บ้านก่อนนะว่าทําอะไรเดี๋ยวเขารู้เป็นโรคอะไรไปแล้วชักดินชักหงออะไรอย่างนี้นะขยับขยับไปนะค่อยๆฝึกเราจะเห็นเลยร่างกายเนี่ยเป็นวัตถุธาตุจิตเป็นคนไปรู้ว่าร่างกายมีอยู่จิตเป็นคนรู้ว่าร่างกายมันเคลื่อนไหวนะนี้พอเรารู้กายแกจิตแยกออกจากกันแล้วเราก็แยกให้มากขึ้นไปอีก เราเห็นเลยเวลาเรานั่งไปนานๆนะมันปวดมันเมื่อยมันคันมีไม่คันใครมานั่งแล้วยังไม่คันเลยมีไหมมีเยอะแยะมีไหมไม่มีหรอกจริงๆเดี๋ยวก็คันน้นเดี๋ยวก็คันนี้นะแต่ไม่รู้ตัวพอคันขึ้นมาก็เก่าเลยนะครับนั่งแล้วเมื่อยเมื่อยก็ขยับใช่ไหมขยับอัตโนมัติเราไม่ได้รู้สึก ถึงความคันความปวดความเมื่อยอะไรเงี้ยนี่เราไม่เราลาทิ้งที่จะรู <h <h ้เวทนาถ้าเรานั่งอยู่แล้วมันคันขึ้นมาเราก็รู้สึกร่างกายมันคันใจเราเป็นคนดูนะร่างกายมันปวดมันเมื่อยใจเป็นคนดูเราจะค่อยๆสังเกตไปทีแรกเรารู้สึกว่าร่างกายคันจิตเป็นคนดูนะร่างกายปวดเมื่อยจิตเป็นคนดูพอเราดูเป็นดูชํำนิชำนานขึ้นเราจะเห็นว่าร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งนะความปวดความเมื่อย หรือความคันนะเป็นอีกอันหนึ่งไม่ใช่ร่างกายหรอกอย่างมันปวดมันเมื่อยเราขยับตัวมันหายเมื่อยแล้วนะร่างกายก็ยังอยู่ใช่ไหมแต่ความเมื่อยหายไปแล้วมันคันขึ้นมาเราลองเกาดูเอาตรงไหนคันลองเกาดูซิแล้วหายคันไหมเห็นไหมว่าร่างกายก็ยังอยู่ใช่ไหมแต่ความคันหายไปแล้วงั้นความคันความปวดความเมื่อยกับร่างกายเนี้ยเป็นคนละอันกันนะแล้วมันไม่ใช่จิตเดินเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านี่เป็นหัดแยกขันนะ เนี่ถ้าอยากดูให้ละเอียดเที่ยนปีกเรานั่งให้นานนานนั่งเอาให้ปวดมากๆเลยเรานั่งไปปวดมากมเนี่ยใจเริ่มทุรนทุรายแล้วร่างกายปวดความปวดอยู่ที่ร่างกายแต่ความทุรนทุรายมาเกิดขึ้นที่จิตไม่ค่อยค่อยหาสังเกตไปเพราะงั้นความทุรนทุรายที่จิตวกวัความปวดเมื่อยที่เกิดขึ้นที่ร่างกายก็เป็นคนละอันกันนะแล้วก็ความทุรนทุรายของจิตไม่ใช่ร่างกายด้วยไม่ใช่ความปวดเมื่อยแล้วนกะ็ ไม่ใช่จิตด้วยมันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าค่อยๆฝึกอย่างนี้นะในสุดเราจะแยกขันออกมาได้ร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยเป็นเวทนานะแล้วก็ความทุรนทุรายของจิตนี่เรียกว่าสังขารขันจิตเนี่ยอยู่ในวิญญาณขันแล้วค่อยๆแ ย, ย, ยกขันส่วนส่วนตัวสัญญาขันความจําได้หมายรู้ปล่อยทิ้งไปก่อนสัญญาเป็นการหมายรู้ผิดๆอยู่ตลอดเวลาอย่างเราหมายรู้ของไม่เที่ยงว่าเที่ยง จิตใจของเราเนี่ยเกิดดับตลอดเวลาเราไปสำคัญมั่นหมายว่าจิตใจของเราเที่ยงจิตใจของเราเดี๋ยวนี้กับจิตใจของเราตอนเด็กเป็นคนเดิมจิตใจของเราเดี๋ยวนี้ก็จิตใจของเราตอนเย็นเป็นคนเดิมเนี่ยเรามีสัญญาวิปลาสนะเห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นของไม่ใช่ตัวเราว่าเป็นตัวเรางั้นสัญญาเนี่ยปล่อยมันไปก่อนนะค่อยไปเรียนรู้ทีหลังตอนนี้มาเรียนรู้ร่างกายตัวรูป รูม cake, ม cake. ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเวทนาคือความปวดเมื่อยความสุขความทุกข์ทั้งหลายนะ fi เกิดที่กายก็ได้เกิดที่จิตใจก็ได้จิตใจเป็นทุกข์ก็ได้จิตใจเป็นสุขก็ได้ร่างกายเป็นทุกข์ก็ได้ร่างกายเป็นสุขก็ได้เราั้นเวทนาเนี่ยเกิดที่กายก็ได้เกิดที่จิตก็ได้แต่มันไม่ใช่ทั้งกายมันไม่ใช่ทั้งจิตนะค่อยๆหัดแยกไปสังขารนเช่นความทุรนทุรายของจิต หรือความโกรธความโลภความหลงนี่เป็นความปรุงของสังขารทั้งนั้นเลยเรียกว่าสังขารทั้งนั้นนะสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่จิตค่อยๆหาสังเกตไปพอจิตเราโกรธขึ้นมาค่อยๆดูไปที่ความรู้สึกโกรธ ด, ดูอย่างสบายๆอย่าลืมคำว่าสบายนะเรียนจากหลวงพ่อประโมทนะต้องมีคำว่าสบายนะเราสู่ขาปฏิปทานะเราไม่ต้องทุกขามากหรอกสบายแล้วมันจะได้สมาธิทําใจให้สบาย เอาตอนนี้ยิ้มก่อนยิ้มหนึ่งทีก่อนสังเกตไหมตอนยิ้มเนี่ยจิตมันเปลี่ยนเลยจิตมันจะล้าคลายตัวออกรู้สึกไหมแต่ถ้าเครียดมากๆแล้วแก้งยิ้มไม่มีผลอะไรนะ <c oughs> ต้องยิ้มด้วยความสบายใจพอใจสบายแล้วมา ด, ดูต่อเห็นไหมความรู้สึกสบายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความรู้สึกสบายนะความรู้สึกมีความสุขนี่ตัวเวทนาเห็นไหม เวลามีความสุขขึ้นมาเราชอบไหมตัวความชอบเนี่ยเป็นตัวสังขารนะเป็นความเป็นความชอบนะความไม่ชอบความเกลียดความรักความเกลียดเนี่เป็นตัวสังขารนะความสงบความฟุ้งซ่านเป็นตัวสังขารค่อยๆดูไปอย่างความโกรธเกิดขึ้นค่อยๆดูไปจะเห็นเลยว่าความโกรธเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความโกรธไม่ใช่จิตหรอกการที่เราหัดแยกขันเนี่ยมันจะได้อะไรขึ้นมา การแยกขันเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของการที่จะทำวิปัสสนากรรมฐานไมันมีสเต็ป ม, มันใช่ไหมหลวงพ่อไล่มาเรื่อยๆนะเบื้องต้นถ้าจิตฟูง้งซ้านทำความสงบให้จิตสงบจิตสบายถ้าจากนั้นจิตไหลวิคิดให้รู้ทันเราจะได้จิตผู้รู้พอเราได้จิตผู้รู้แล้วเราแยกขันนะกายส่วนกายจิตส่วนจิตเวทนาคือความสุขทุกข์ก็ส่วนเวทนา สังขารคือความปรุงดีความปรุงชั่วเช่นความโลภความกวดความหลงก็ส่วนของสังขารจิตก็ส่วนของจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เราหัดแยกพอแยกได้แล้วเนี่ยเราจะค่อยๆเห็นเลยว่าขันแต่ละขันสภาวะแต่ละสภาวะนั่นนะ่ะเกิดขึ้นแล้วดับไปทั้งสิ้นเนะช่นรูปที่นั่งอยู่เนี่ยอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายหายไปกลายเป็นรูปที่ยืนรูปที่ยืนอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปกลายเป็นรูปที่เดิน ตัวรูปนี่ดูยากมากนะตัวรูปนี้ดูยากมากอย่างรูปยืนเดินนั่งนอนเนี่ยไม่ใช่รูปแท้ๆหรอกนะมันยังไม่ใช่รูปจริงๆรูปจริงๆคือธาตุสีเนี้ยดูยากมากเลยอย่างเรารู้สึกถึงลมหายใจเข้าที่เย็นพอหายใจออกนะลมเย็นเปลี่ยนเป็นลมร้อนยอะไรเงี้ยอันนี้ดูธาตุที่เปลี่ยนเห็นธาตุไม่คงที่เลยกระทั่งธาตุลมที่เอาลมที่หายใจเข้าไปนะก็มีธาตุไฟที่เปลี่ยนไป ในลมหายใจมีธาตุดินธาต้น้ําธาตุไฟธาตุลมอยู่ครบเลยนะในผมหนึ่งเส้นมีธาตุดินน้ําไฟลมอยู่ครบเลยวุ่นน้าลายออกมาในน้ําลายนี่มีธาตุดินน้ําไฟลมอยู่ครบเลยในการที่จะเห็นธาตุเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะยากมากเลยคนส่วนใหญ่ก็ไปคิดว่าดูรูปดูกายนง่ายดูกายง่ายแต่เห็นรูปที่แท้จริงคือเห็นถึงตัวธาตุนี่ยากที่สุดเลยเวลาเราลอง เกรงมือซิเกรงมือลองจับแขนของตัวเองก่อนที่แรกอย่าเพิ่งเกรงทำมือสบายๆเราจับดูแขนมันนิ่มไหมเกรงซิเกรงแขนมันแข็งขึ้นไหมเห็นไหมว่ามันนิ่มได้มันแข็งได้มันไม่เที่ยงตัวนี้เป็นตัวตัวทาดินนะตัวอ่อนตัวแข็งนี่เป็นทาดินดินไม่ใช่ดินอย่างนี้เพราะฉะั้นตัวรูปเนี่ยดูยากที่สุดเลย ในขณะที่นํามาทําทั้งหลายเนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนความโกรธก็คือความโกรธความโลภก็คือความโลภงั้นบองไปนะถ้าเราดูธาตุไม่ออกนะดูนํามาทําไปเราจะเห็นเลยว่าความสุขเป็นอย่างนี้ความทุกข์เป็นอย่างนี้ความสุขกับความทุกข์ไม่เหมือนกันพวกเราแยกออกไหมว่าความสุขเป็นยังไงความทุกข์เป็นยังไงพวกเราแยกได้ไหมว่าความโกรธไม่เหมือนกับความโลภแยกได้ไหมแยกได้ไหมว่าความโลภกับความหลงไม่เหมือนกัน แยกได้ไหมว่าความสงบกับความฟุ้งซ่านไม่เหมือนกันแยกได้ไหมว่าความเบิกบานใจกับการหดหู่ใจเนี่ยไม่เหมือนกันแหมเราแยกได้อยู่แล้วงั้นการที่จะทำมาหัดดูสภาวะทางจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องง่ายที่สุดเลยเบสิกที่สุดเลยบางคนไม่เข้าใจนะบอกว่าดูจิตเป็นเรื่องยากคิดเอาเองว่าดูจิตเป็นเรื่องยากดูกายเนี่ยดูแค่ร่างกายเนี่ยง่ายนะดูผมขนเล็บฟันหนังง่าย แต่ผมขนเล็บฟันหนังนะั้นมันเป็นบัญญัติมันไม่ใช่รูปนามจริงๆริงตัวที่เป็นรูปนามที่ประกอบเป็นผมขนเล็บฟันหนังนะคือธาตุดินน้ำไฟลมดูไปให้ถึงตัวธาตุนี่ยากที่สุดเลยนะแล้วหลักของวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยต้องใช้อารมณ์รูปนามเท่านั้นในขณะที่สมถะเนี่ยใช้อารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดขึ้นก็ได้นี่ผมนะนี่ขนเล็บฟันหนังนะเอาจิตไล่ไปเรื่อยแค่นี้ก็สงบได้แล้วนะหรือคิดว่าร่างกายเป็นปฏิกรูณาสุภา เน่สงบได้แล้วแต่ถ้าจะทําวิปัสสนานะจะมาใช้อารมณ์ปัญญัติก็ไม่ได้นะอารมณ์นิพพานก็ใช้ไม่ได้ใช้อารมณ์รูปนามได้เท่านั้นเองในการทําวิปัสสนากรรมฐานเพราะอะไรเราจะมาเรียนให้เห็นความจริงของสิ่งที่ประกอบกันเป็นตัวเราสิ่งที่ประกอบเป็นตัวเราเป็นแค่รูปรนามเท่านั้นเองไม่ใช่พัญญานิพพานนิพพานไม่ประกอบประกอบเป็นตัวเราหรอกสมมุติบัญญัติก็เป็นแค่ความคิดนะเป็นสิ่งที่คิดขึ้นมาไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงหรอก สิ่งที่เป็นตัวเราที่แท้จริงคือรูปนามนิพพานาจะมาเรียนความจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเรามันจะเรียนอยู่ที่รูปนามเท่านั้นเองนะรูปนั้นอ่ะดูยากกว่าจะเห็นรูปที่แท้จริงนะดูยากแต่นามมาทำนั้นทุกคนรู้จักอยู่แล้วความสุขเป็นยังไงทุกคนรู้จักความทุกข์เป็นยังไงทุกคนรู้จักรอบกอดหลงฟงซ่านหดหูเป็นยังไงทุกคนรู้จักอยู่แล้วเราเอาสิ่งที่เรารู้จักอยู่แล้วเนี่ยมาดู เราก็จะค่อยๆเห็นแต่ค่อยๆสังเกตค่อยๆรู้สึกไปเช่น <ís> เวลามีความสุขเกิดขึ้นในใจเรามีความสุขเกิดขึ้นเรารู้ทันแต่ที่ความรู้สึกสุขดูซิเธอจะอยู่นานแค่ไหนไม่ใช่ดูเพื่อจะละนะแต่ดูเพื่อให้รู้ทันมีความสุขเกิดขึ้นให้รู้มีความทุกข์เกิดขึ้นให้รู้มีความรู้สึกเฉยๆเกิดขึ้นให้รู้รู้แล้วเราจะได้อะไรรู้แล้วเราจะเห็นความจริง นะว่าความสุขนั้นอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความเฉยเฉยอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนะความศรัทธาความขยันหมั่นเพียรอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความสงบอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายความฟุ้งซ่านอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายความกังวลใจความดีใจความเสียใจความโลภความโกรธความหลงความหดหู่ นะความอิจฉารู้จักอิจฉาไหมใครรู้จักไหมอิจฉาเป็นไงเคยอิจฉาไหมผู้ชายคนไหนเคยอิจฉาบ้างยกมือซิพวกที่ไม่ยกคือพวกที่ไม่ยอมรับความจริงนะ <c oughs> ถ้าถามว่าใครเคยอิจฉาบ้างหลวงพ่อก็ยกด้วยละว่นะสมัยก่อนก็เป็นผู้ชายกลัวไหมผู้ชายรู้จักกลัวไหมผู้ชายนะตามสังคมต้องบอกกล้าหาญใช่ไหม ควาจริงผู้ชายกลัวนะก็กลัวเป็นเหมือนกันโดยเฉพาะกลัวเมียนะผู้หญิงขี้ขลาดนะแต่ผู้ชายไปกลัวไอ้คนขี้ขลาดนะเมื่อก่อนมีในพลคนหนึ่งนะแต่ไม่เอ่ยชื่อนะเป็นถึงจอมผลด้วยซ้ําไปนะแก้วนๆหนะ่อยแกเล่าให้ลูกน้องฟังบอกเมียกูนะตัวเล็กนิดเดียวนะแต่ทําไมกูกลัวนักก็ไม่รู้เวลากูเดินไปที่ไหนนะ ทหารเห็นกูนะั่นมันกลัวกูตัวสันเลยแต่พอกูเข้าบ้านนะเจอเมียกูนักูสันเลยอยแบบนี้อ๋อผู้ชายก็กลัวเป็นเห็นไหมความรู้สึกกลัวเกิดขึ้นก็แค่รู้ทันไปการที่เราหัดรู้สภาวะความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยนะมันจะทําให้เราได้เห็นความจริงว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในจิตใจของเราเนี่ยเป็นแค่ของชั่วคราวเท่านั้นเองนะเป็นแค่ของชั่วคราวเท่านั้นเอง ความสุขเป็นของชั reported reported reported ่วคราวความทุกข์เป็นของชั่วคราวความโลภความโกรธความหลงเป็นของชั่วคราวความฟุ้งซ่านความหดหู่เป็นของชั่วคราวกระทั่งความดีก็ชั่วคราวนะบางทีเราก็อยากดีใช่ไหมบางทีเราก็ชี้เกียร์จะดีเนี่ยมันก็ของชั่วคราวเหมือนกันเฝ้าดูลงไปนะในที่สุดจะเห็นว่าทุกอย่างมันเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปตลอดเวลาถ้าเราเห็นได้ว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปทุกอย่างเกิดแล้วดับไปนะเถ่งจุดหนึ่ง จิตมันจะแจ้งขึ้นมาจิตมันจะรู้ความจริงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาถ้าเราเห็นอย่างนี้ได้เราจะรู้ว่าสิ่งที่เป็นตัวตนถาวรเป็นอมตะในตัวเราไม่มีหรอกในสิ่งทึ่งประกอบเป็นตัวเรานะร่างกายนี้ก็เป็นของชั่วคราวจิตใจก็เป็นของชั่วคราวไม่มีอะไรที่คงที่สักอย่างเดียวเลยถ้าเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยจะได้ธรรมะแนละ้วเรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรม ได้เห็นความจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดแหละมีความดับเป็นธรรมดาใครเคยได้ยินชื่อท่านเจ้าคุณนอบ้างรู้จักไหมใครเคยเจอท่านมีไหมอายุท่านอ่อนกว่าหลวงพ่อในโอกาสเจอท่านนะ่ายากล ะ, ะท่านสิ้นไปตั้งแต่ปีหนึ 4, ่งสี่มกราหนึ่งสี่ท่านเจ้าคุณนอท่านบอกว่าพระโสดาบันนะเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับ พระละหันเห็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับนะธรรมะของภาคปฏิบัตินี่มันมากเลยนะในปริยัติไม่พูดถึงขนาดนี้เลยนี่ท่านพูดได้เลยว่าพระโสดาเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไปพระละหันเห็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับมีอยนเดียวนะคือพระนิพพานนะมีอย่างเดียวเพราะฉะนั้นพระลนะหันนัท่านแจ้งพระนิพพานเวลาที่เราหัดภาวนาแรกๆเนี่ยเราจะเห็นสิ่งที่เกิดที่ดับ นะเช่นความสุขเกิดแล้วความสุขก็ดับความทุกข์เกิดแล้วความทุกข์ก็ดับเห็นทีละอย่างเห็นความสุขเกิดแล้วก็ดับไปความทุกข์เกิดแล้วก็ดับไปเป็นโคโลนะในที่สุดเมื่อเห็นซ้ำซ้ำแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกนะจิตมันจะได้ข้อสรุปจิตมันจะปิ้งขึ้นมาเลยว่าทุกอย่างนั่นแหละเกิดแล้วก็ดับไม่ต้องมาดู ท, be ท, ท be ีละอันแล้วเบื้องต้นดูทีละอย่างทีละอย่าง แล้วก็เห็นว่าความโกรธเกิดแล้ดับความลอดเกิดแล้ดับความหลงเกิดแล้ดับดีใจเสียใจเกิดแล้ดับตรงที่มันปิ้งขึ้นมาเนี่ยมันจะรู้เลยว่าทุกสิ่งเกิดแล้วก็ดับนะตรงที่ว่าได้ดวงตาเห็นธรรมคือเข้าใจความจริงตรงนี้เองว่าทุกสิ่งเกิดแล้วก็ดับไปในเมื่อทุกสิ่งเกิดแล้วก็ดับไปเนี่ยเราจะไม่มีตัวตนถาวรนะในจิตใจของเราซึ่งเราเคยคิดว่าจิตใจของเราคนนี้เดี๋ยวนี้ จิตใจของเราตอนเด็กๆก็ยังเป็นคนเดิมนะเป็นความสําคัญผิดโดยสิ้นเชิงเลยถ้าเราภานาเป็นนะเราเห็นว่าจิตไม่เกิดดับอยู่ทุกขณะนะเดี๋ยวก็เป็นจิตดีเดี๋ยวก็เป็นจิตร้ายเดี๋ยวก็เป็นจิตสุขเดี๋ยวก็เป็นจิตทุกข์หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดูมันเป็นทีละอันทีละอันทีละอันมันปิ๊งขึ้นมานะว่ามีแต่เกิดแล้วก็ดับเมื่อมีแต่สิ่งที่เกิดแล้วก็ดับมันก็ไม่มีสิ่งใดที่เป็นตัวตนถาวรอยู่ ถ้าเข้าใจว่าสิ่งที่ประกอบเป็นตัวเราเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เป็นตัวตนถาวรเนี่ยเราเป็นพระโสดาบันละแต่ว่าไม่ใช่คิดเอาเองไม่ใช่คิดเอาเองนะกระบวนการที่จิตจะตัดสินความรู้ปิ้งออกมาเนี่ยมีกระบวนการของมันอยู่นะอย่างทีแรกเราหัดดูกายดูใจของเราไปหรือหัดดูความรู้สึกไปเราเห็นทุกอย่างเกิดระดับเกิดระดับนะถึงจุดหนึ่งจิตมันจะรู้สึกเบื่อ รู้สึกน่าเบื่อมากเลยความสุขก็น่าเบื่อความทุกข์ก็น่าเบื่อจิตเนี่ยเบื่อเอื่มระอาทั้งสุขทั้งทุกข์เบื่อเอื่มระอาทั้งดีและชั่วจิตมันจะอยากพ้นไปแต่พ้นก็ไม่ได้ยังไงมันก็ต้องอยู่กับสุขกับทุกข์กับดีกับชั่วนี่แหละหรือมันต้องอยู่กับร่างกายนี่แหละร่างกายน่าเบื่อแค่ไหนก็ทิ้งไปไม่ได้จิตใจนะสุขทุกข์ดีชั่วน่าเบื่อทั้งนั้นเลยเพราะเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับแต่ก็ทิ้งไปไม่ได้ก็อยู่กับมัน คล้ายๆเบื่อภรรยานะแต่ทิ้งไม่ได้ต้องอยู่กับมันไปก่อนอย่างเงี้ยเราก็เหมือนกันเราหนีธาตุขันไม่ได้นะถึงมันจะน่าเบื่อก็ต้องทนอยู่กับมันไปก่อนดูไปเรื่อยนะก็ต่อไปค่อยๆทําใจได้นะใจค่อยเป็นกลางนะใจเป็นกลางก็อยู่กับมันไปแบบเห็นแต่ทุกข์เห็นแต่โทษไม่เห็นแต่ของดีเลยมีแต่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับสุดท้ายเนี่ยใจจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางเพราะปัญญาตรงที่ใจเข้าไปสู่ความเป็นกลางเพราะปัญญาเนี่ย คือประตูแห่งอริยมรรคถ้าใจของเรายังไม่เป็นกลางเพราะปัญญาเนี่ยยังห่างไกลจากอริยมรรคอีกหนักหนาสาหัสเลยนะการที่จิตจะเป็นกลางขึ้นมาได้เนี่ยเกิดได้หลายสาเหตุเป็นกลางเพราะสติก็ได้เช่นเราเห็นจิตเรามีความพอใจยินดีพอใจเรารู้ทันที่ความยินดีพอใจความยินดีพอใจจะดับไปเราเห็นจิตไม่พอใจ เรารู้ทันจิตที่ไม่พอใจความไม่พอใจจะดับไปและจิตจะเป็นกลางอันนี้เป็นกลางเพราะมีสติ ית, ไปรู้ทันความไม่เป็นกลางความยินดียินร้ายนี่เพราะสตินะอันนี้ยังเรื่องพื้นๆเลยพวกเราหัดไม่กี่วันก็เป็นละอันที่สองเป็นกลางด้วยสมาธินั่งสมาธิไปนะจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางเป็นกลางจากความสุขความทุกข์นะอันนี้เป็นความรู้สึกที่เป็นกลางอันนี้เป็นกลางด้วยเวทนานะมันจะมีอีกอันหนึ่งคือไปเพ่งจิตให้นิ่ง แล้วตอเนี้คนดาา่าก็เฉยคนชมก็เฉยแล้วบอกว่าเป็นกลางความจริงเพ่งให้หนิ่งไว้นี่กลางข้อสมาธิอย่างนี้ยังใช้ไม่ได้ต้องกลางด้วยปัญญาคือได้เห็นความจริงว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวกุศลอกุศลเป็นของชั่วคราวอะไรอะไรก็เป็นของชั่วคราวถ้าเราเห็นได้อย่างนี้นะใจยอมรับได้อย่างนี้นะความสุขเกิดขึ้นจิตใจก็ไม่หลงยินดีความทุกข์เกิดขึ้นจิตก็ไม่ยินร้าย กุศลเกิดขึ้นจิตก็ไม่ยินดีกุศลเกิดขึ้นจิตก็ไม่ยินร้ายจิตเข้าเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างกับความปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างด้วยปัญญาจุดนี้แหละจะทําให้จิตหมดการดิ้นรนหมดความปรุงแต่งต่อไปนะจิตมันดิ้นรนลงไปเพราะมันไม่เป็นกลางมันอยากโ น, น่นอยากนี่ไปด้วยนะถ้าไม่เห็นว่าทุกอย่างหาสาระแก่นสารไม่ได้มันเท่าเทียมกันหมดเลยระหว่างสุขกับทุกข์มันก็จะไม่ต้องไปหนีทุกข์วิ่งไปหาสุข ถ้ามันเห็นว่าดีกับชั่วนั้นเท่าเทียมกันคือเกิดแล้วก็ดับด้วยกันทั้งสิ้นมันก็ไม่เกลียดความชั่วไม่ได้หลงรักความดีนะแต่ใจจะทําชั่วไม่ได้เด็ดขาดเลยนะเพราะความชั่วเกิดเมื่อไหร่สติะระลึกปั๊บเลยความชั่วจะดับอัตโนมัติเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะชั่วถ้าจเจริญวิปัสสนาแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะชั่วเลยเพราะความชั่วเกิดปุ๊บมันเห็นแล้วมันดับทันทีนะสติะระลึกก็ดับแล้วเนตใจเข้าสู่ความเป็นกลางต่อสุขและทุกต่อดีและชั่ว เมื่อใจเข้าไปสู่ความเป็นกลางใจจะหมดความดิ้นรนปรุงแต่งเมื่อจิตหมดความดิ้นรนปรุงแต่งนะจิตจะรวมเข้าสมาธิจิตจะเข้าฌานโดยตัวของมันเองอย่างพวกเราหลวงพ่อดูหน้าแล้วเนี่ยนะไม่มีใครเข้าฌานได้จริงเท่าเท่าไหร่หรอกนะหายากมากเลยมีคนสองคนถ้าจะเข้าได้นอกนั้นได้มีแต่ฟุ้งซ่านใครเป็นคนฟุ้งซ่านเก่งยกมือซิมีไหมโอ้ยกเกือบหมดเลย ส่วนพวกที่เหลือคือพวกไม่ยอมรับความจริง <c oughs> ใจพว้งซ้านีใจแฉลบซ้ายแฉลบขวาทั้งวันนะเนี่ยเมื่อใจเรามันแป่งอย่างนี้นะก็ดิ้นไปด้วยนะไม่สงบสุขแต่ถ้าเมื่อไหร่มีปัญญาเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยเท่าเทียมกันนะใจจะหยุดดิน้นนะเวลาความสุขเกิดขึ้นก็ไม่หลงยินดีใจก็ไม่ดิ้นเพื่อจะรักษาความสุข เวลาความทุกข์เกิดขึ้นใจก็ไม่ยินร้ายใจก็ไม่ดิ้นที่จะผลักใสความทุกข์ออกไปนะกุศลอกุศลเกิดขึ้นใจก็เป็นกลางไม่ดิ้นไม่คิดจะไปเอามาไม่ได้คิดจะผลักออกไปเป็นกลางใจหยุดดิ้นใจจะเข้าสมาธินะเข้าเองแหละอย่างพวกเราไม่เคยหัดเข้าสมาธินะแต่ถ้าเราจเจริญปัญญาจเจริญสติจเจริญปัญญาเรื่อยๆไปถึงจุดหนึ่งจิตจะเข้าอัปปนาสมาธิเอง ไม่ใช่สมาธิธรรมดาด้วยนะแต่เป็นสมาธิถึงขั้นอัปปนาสมาธิมันจะเกิดได้เองเลยวิธีที่หลวงพ่อบอกพวกเราทำอันนี้เรียกว่าใช้ปัญญานําสมาธินะพราะพวกเราหน้าตาอย่างพวกเราเนี้เอาสมาธินําปัญญายากไปฟุ้งซ่านพอไปเข้าสมาธิก็ไปเพ่งให้จิตซื่อบื้อไปสีกไม่เดินปัญญาจริงหรอกนะเพราะงั้นเราเอาสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราพอจะทําได้ใช้ปัญญานําสมาธิดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อย ถึงจุดหนึ่งจิตจะเข้าสมาธิเองครั้งหนึ่งหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดุลไปส่งกันบ้านท่านนะแล้วหลวงปู่ดุลก็บอกว่าจิตหลวงพ่อเข้าสมาธิหลวงพ่อก็ไปเถียงท่านตอนนั้นหลวงปู่ครับผมไม่ได้ทําสมาธิคิดว่าทําสมาธนะิต้องมานั่งหายใจะผมไม่ได้ทําสมาธิหรอกผมดูจิตมันทํางานอยู่นะทําไมหลวงปู่ว่าผมเข้าสมาธิหลวงปู่บอกว่าการดูจิตดูใจนั้นจะได้สมาธิโดยอัตโนมัตินะ นันการที่เราเคอยรู้ทันจิตของเราเนียพอจิตฟุ้งซ่านเรารู้ทันจิตก็สงบใช่ไหมจิตสงบจิตก็ได้สมาธิขึ้นมาแล้วนี่เราสะสมของเราทุกวันนะจิตไหลไปเรารู้จิตไหลไปเรารู้จิตก็สงบเองสมาธิมันเกิดเองนะโดยเฉพาะจิตเมื่อมันเป็นกลางมันหมดการดิ้นแล้วเนี่ยจิตจะเข้าอับปนาสมาธิดีเดียวแหละพอเข้าถึงอับปนาสมาธิแล้วนะบางคนเข้าลึกมากร่างกายหายไปโลกนี่หายไปหมดเลยเหลือแต่ความรู้สึกอันเดียวล้วน และจิตอยู่ดวงเดียวล้วนๆแต่ตรงของคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เดินวิปัสสนามาแล้วเนี่ยพอเข้าสะอาดปนาสมาธิจนเหลือแต่จิตดวงเดียวล้วนๆแล้วมันจะไปเพลินอยู่ตรงนั้นไปสว่างไปสบายนิ่งๆเฉยๆอยู่ตรงนั้นเองไปไหนไม่รอดพอออกจากสมาธิก็กลับมามีกิเลสเหมือนเดิมแต่ถ้าเราได้ผ่านการเจริญวิปัสสนาได้เรียนรู้ความจริงของรูปของนามของกายของใจเห็นแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของกายของใจแก่รอบเต็มที่แล้วเนี่ย อจิตเข้าอัปปนาสมาธิแล้วมันจะไม่ไปอยู่เฉยนะบ า, บางระดับก็ยังมีร่างกายอยู่นะเพราะฉนั้นพระโสดาสกทาคานาคาพาระละหันเวลาที่ท่านตัดกิเลสเป็นพระโสดาสกทาคานาคาพาราละหันเนี่ยจิตเข้าฌานจริงแต่ว่าตั้งแต่ฌานที่หนึ่งขึ้นไปฌานที่หนึ่ ง, งสองสามสี่ได้หมดเลยในฌานที่สี่เนี่ยถ้าใชอ้อารูปเป็นอารมณ์นะมันจะเข้าอารูปฌานะอารูปฌานทั้งหมดเนี่ย ถือว่าเป็นชาตที่สี่ทั้งหมดเลยนะจะเข้าได้หมดเลยตลอดเนี้ยนะรวมแล้วแปดชาต น, นะรูปสี่อรูปสี่อรูปสี่อย่างก็จริงๆก็คือรูปประชนันคือชาตที่สี่เหมือนกันนะตรงนี้ไม่ต้องจาตัวเลขหรอกนะไม่ได้ให้หวยหรอกนะตรงที่จิตเข้าชาตแล้วมันไม่ไปอยู่เฉยเพราะมันเคยเจริญปัญญามาแก่กล้าแล้วนะจิตเข้าชานแล้วเนี่ยจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตสติระลึกรู้ลงที่จิต โดยที่ไม่ได้เจตนาระลึกมันเห็นความปรุงแต่งภายในจิตเกิดขึ้นสองขณะบ้างสามขณะบ้างแต่ละคนไม่เท่ากันพวกที่ปัญญาแก่กล้านะจะเห็นความปรุงแต่งแค่สองขณะพวกปัญญาไม่แก่กล้าต้องเห็นสามขณะต้องเห็นมากหน่อยเห็นน้อยเนี่ยยังไม่พอที่จะสรุปนะพอเห็นความปรุงแต่งไหวตัวขึ้นในจิตสองขณะหรือสามขณะแล้วเนี่ยจิตมันเดินต่อไปอีกนะมันจะปล่อยวางการรับรู้ สภาวะที่ไหวตัวขึ้นมาถามว่าอะไรไหวขึ้นมาไม่มีคำตอบว่าอะไรไหวขึ้นมาเห็นแต่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปเพราะไม่ได้มีสัญญาเข้าไปหมายรู้ว่าอันนี้คือรอบอันนี้คือโกรธอันนี้คือหลงไม่มีการใส่ชื่อมันจะเห็นแค่สภาวะที่ไหวขึ้นมาแล้วก็ดับไหวขึ้นมาแล้วก็ดับนะถ้ายินเียอ่อนหน่อยก็ไหวสามทีเห็นสามทีถึงจะยอมเชื่อว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับ ถ้าอินทรีย์แก่กล้าเห็นไหวสองทีก็ยอมเชื่อแล้วว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับพ อ, พอรู้นะจิตมันจะปล่อยวางตัวสภาวะที่ไหวๆนะั้นจะทวนกระแสเข้าหาธาตุรูนะ้ช่วงที่มันปล่อยการรับรู้ความไหวๆนะมันเราก็พ้นจากความเป็นปุถุชนในขณะนั้นแหละแต่มันยังทวนเข้ามาไม่ถึงธาตุรู้ที่แท้จริงยังไม่ใช่พระอริยบุคคลมันเป็นคาบลูกคาบดอกอยู่คล้ายๆเราเดินไปเจอท้องร่อง เรากระโดดจากฝั่งนี้ไปอีกฝั่งหนึ่งนะขาข้างหนึ่งพ้นจากฝั่งนี้ขาอีกข้างหนึ่งยังไม่ถึงอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยสภาวะเนี่ยจะเกิดขึ้นชั่วแว บ, บเดียวนะขนาจิตเดียวท่านั้นเองพอนะทวนเข้าถึงธาตุรู้จริงๆแล้วคราวเนี้ยอริยามรักมันจะเกิดขึ้นมันจะแหวกสิ่งที่ห่อหุ้มจิตเราออกไปทั้งหมดเลยนะจิตจะเข้าถืออริยผลเกิดความว่างความสว่างและความเบิกบานขึ้นภายในหลวงปูด่ดูลท่านเรียกความเบิกบานตรงนี้ว่าจิตยิ้ม จิตจิ้มถัดจากนั้นจิตจะหลุดออกมาจากฌานนะพอเกิดอริยผลแล้วเนี่ยจิตจะออกจากฌานเพราะจิตออกจากฌานมันจะกลับมาอยู่ในโลกธรรมดาอย่างนี้นะมันจะทวนกลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อกี้นี่เกิดอะไรขึ้นกิเลสอะไรละแล้วกิเลสอะไรยังไม่ละเพราะงั้นการที่จะดูว่าใครเป็นพระอริยะบุคคลชั้นไหนดูที่กิเลสแล้วดูถูกของตัวเราเองนะดังนั้นเราภาวนาไปนะ ไม่มีใครมารับรองให้เราได้ว่าเราจะได้ธรรมะชั้นไหนหรอกเพราะพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วเรากส็สังเกตตัวเองเพราะจิตมันตัดกิเลสแล้วเนี่ยสำรวจ ด, ดูว่ากิเลสอะไรยังมีอยู่กิเลสอะไรล้าแล้วกิเลสที่ล้าแล้วนั้นล้าขาดเตดขาดจริงหรือไม่จริงหรือแค่ข่มเอาไว้หลายคนคิดว่าเกิดอริยามรรคอริยผลนะแล้วก็บอกว่าไม่มีกิเลสเลยแต่ความจริงจิตเข้าไปล็อกนิ่งๆอยู่จิตเข้าไปล็อก ตอนนิ่งเฉยอยู่นะแล้วบอกว่าไม่มีกิเลสนะตรงนั้นไปติดสมถะอยู่แล้วกิเลสเกิดไม่ได้เลยไปคิดว่าไม่มีกิเลสจริงๆไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรเลยก็มีนะ้สํารวจตัวเองดูการรู้ทันกิเลสจึงเป็นข้อดีนะการรู้ทันกิเลสแท็กิเลสเกิดแล้วดับกิเลสเกิดแล้วับเนี่ยได้ธรรมีปัสนาเจนกระทั่งบรรลุมรรคผลนะหรือคิดว่าบรรลุมรรคผลแล้วมาดูกิเลสนี่อีกถ้ายังมีกิเลสเหลืออยู่นะอย่างพระโสดาอย่าง เกิดความสําคัญมั่นหมายนะความเห็นผิดว่ากายนี้เป็นเราจิตนี้เป็นเราไม่ใช่โซดาจริงแล้วเป็นพระโซดาแล้วไม่ใช่โซดาดอกนะหรือว่าเป็นพระอาหารหันตะ์เป็นพระอาหารหันต์ยังประคองจิตยังรักษาจิตอยู่นะรักษาจิตทรงไม่เด่นดวงมีความสุขอย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่พระอาหารหันต์หรอกแล้วก็รหลวงพ่ออยู่กับหลวงปู่ดุล มีวันหนึ่งนั่งอยู่กับท่านท่านนั่งเก้าอี้โยกหลวงพ่ก็นั่งที่พื้นเนี่ยเวลานั่งอยู่กับครูบาอาจารย์ปฏิบัตินะเราอย่าพูดมากนั่งเงียบๆภาวนาของเราไปเดี๋ยวท่านมีอะไรบอกนะท่านจะบอกเองสมควรบอกแล้วท่านจะบอกเองถ้าเราไปนั่งคุยนั่งถามนะไม่ได้ของดีหรอกนี่หลวงพ่อก็ไปนั่งภาวนาเงียบๆอยู่กับท่านนะ่ยท่านนั่งพิจารณาธรรมะไปนะถ้าท่านก็พูดออกมาเออนักปฏิบัติส่วนใหญ่นะกระทั่ง ผู้มีชื่อเสียงเป็นครูบาอาจารย์ใหญ่ๆเนะี่ยส่วนมากเป็นผีใหญ่แล้วพูดอย่างนี้นะว่าส่วนมากเป็นผีใหญ่เรานี่คันปากยิบยิบยิบนะเห็นในจิตนี่คันคันอยากถามว่าผีใหญ่เป็นไงครับเงียบไว้ก่อนเงียบนะแล้วหลวงปู่ก็พูดแค่นั้นนะไม่พูดต่อนะไม่พูดต่อเราก็ไม่ถามออกจากหลวงปู่มาเราไปถามพระอุปัฏฐาก ะว่าเออหลกง ป, ปู่พูดว่านักปฏิบัติส่วนมากเป็นผีใหญ่เป็นยังไงท่านบอกอ๋อหมายถึงเป็นปลอมภาวนาแล้วไปเป็นปลอมนะไม่พ้นทุกจริงหรอกไปภาวนาแล้วก็สงบสว่างนิ่งสบายวิติจิตรู่แค่นั้นแหละนะอย่างมากก็เป็นผ้านาคา ม, มีว่ายังประคองรักษาจิตอยู่นะยังไม่ยึดยังยึดถือจิตอยู่ว่าเอาไว้เป็นเจ้าของอยู่นะยังยึดถือจิตอยู่ นี่เราก็เลยได้ความรู้อ๋อผ้าละหันเนี่ยต้องไม่ยึดถือจิตนถ้ายัางยึดถือจิตยังสงวนรักษาจิตอยู่ไม่เป็นผ้าละหันหรอกนี่อยู่มาจนกระทั่ ง, งอีกสามสิบหกวันหลวงปู่ดุลจะมรณภาพไปกลับท่านครั้งสุดท้ายะท่านก็สอนธรรมะมาตั้งแต่บ่ายนะจนกระทั่งค่าท่านหอบแล้วหอบอีกหลวงพ่อก็สงสารท่านมากเลยแต่ท่านพูดไม่หยุด ท่านสอนต่อเนื่องโอ้ยธรรมะท่านมากมายมหาศาลที่ท่านถ่ายทอดท่านเล่าเล่าเ ล, าเ ล, าเลา พ, พูดพูดพูดบรรยายสภาวะธรรมส่วนใหญ่เรื่องจิตอะไะให้ฟังเรื่องอริยสัจเรื่องอะไรเงี้ยฟังฟังเยอะท่านเหนื่อยมากนะเข้าแล้วหลวงพ่อก็ได้จังหวะพอดีท่านหยุดหอบแฮกแหกอยู่บอกหลวงปู่ครับหลวงปู่เหนื่อยมากแล้วผมจะลากลับแล้วหลวงปู่ก็บอกว่าจะกลับแล้วหรือ ยังกลับไม่ได้นะต้องจําไว้นะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเข้าใจไหมไม่เข้าใจครับแต่จะจําไว้ตรงนี้หลวงปู่บอกเออจาไว้นะตรงนี้ก็เลยกล่าวลาท่านออกมานะตอนลาท่านเนี่ยปกติหลวงพ่อลาครูบาอาจารย์แล้วลารักกลับแล้วกลับเลยนะไม่มีความรู้สึกอะไรอาวบนเพราะใจเราเราภาวนามาไม่ได้ปูกอะไร นี่วันนั้นกราบท่านนะถอยออกมาสองลำเก้าหันไปมองถอยมาสองเก้าหันไปมองนะใจอะไรอวร น, นะมันเป็นการเห็นกลางสุดท้ายเราก็ไม่รู้หรอกว่าจะเห็นกลางสุดท้ายแล้วนะหลังจากนั้นท่านก็มานำภาพไปวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อออกจากสุรินนะไปกราบหลวงพ่อพุทธที่โคราชพอหลวงพ่อพุทธท่านเจอหน้าหลวงพ่อท่านก็ถามไงนักปฏิบัติแต่ท่านไม่รู้ชื่อหลวงพ่อท่านเรียกหลวงพ่อว่นักปฏิบัติไงนักปฏิบัติ คราวนี้หลวงปู่สอนอะไรรู้ว่าหลวงพ่อไปเรียนจากหลวงปูดุลพอตั้งแต่ไปเรียนกับหลวงปูดุลนะทุกครั้งที่ออกจากหลวงปูดุลมาเนี่ยต้องแวหาหลวงพ่อพุธแล問問้วท่านก็จะถามว่าหลวงปู่สอนอะไรหลวงปู่สอนอะไรคราวนี้ท่านก็ถามแล้วเรียนท่านบอกหลวงปู่สอนบอกว่าพผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึนถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงหลวพ่อพุธท่านก็บอกว่าเนี่ยเมื่ออาทิตย์ก่อนเจ็ดวันก่อนท่านก็ไปกราบหลวงปูดุลมาหลวงปูดุลก็สอนท่านบอกว่าเจ้าคุณ การปฏิบัติจะยากอะไรพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนะนี่หลวงพ่อพุทธท่านกลัวหลวงพ่อจะไปหลงผิด<ม>ไปทำลายจิตจริงๆเดี๋ยวสติแตกทำลายจิตเนี่ยท่านบอกเลยว่าไม่ใช่ไปทำลายมันนะทำลายจิตก็คือไม่ยึดมั่นในตัวจิตถ้าไม่ยึดจิตได้นั่นแหละเรียกว่าทำลายจิตนะนี่ยท่านกลัวหลวงพ่อหลงผิดก็ดีที่ท่านบอกนะไม่งั้นหลงผิดจริงๆเสร็จแล้วหลงพ่อพุทธท่านก็บอกต่อ บอกคุณกับอาตา ม, มามาทํากติกามาทําข้อตกลงกันถ้าใครทําลายผู้รู้ได้ก่อนนะให้มาบอกกันว่าทําลายได้ด้วยวิธีไหนนะโอ้เราตอนนั้นเราเด็กน้อยเลยนะ เ, เทียบกับท่านนะท่านเป็นพระผู้หลักผู้ใหญ่มากเลยท่านพูดขนาดนี้เราก็รู้ทันหรอกว่าจริงๆท่านฉลาดท่านเห็นว่าหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลซึ่งเป็นพระที่อาวุโสกว่าท่านแทนที่ท่านจะบอกว่าท่านจะสอนหลวงพ่อนะ ท่า น, นก็บอกว่ามีอะไรมาแลกกันนะพออยู่ๆไปแย่งลูกศิษย์ของอาจารย์ที่ใหญ่กว่าเนี่ยเสียมารยาทเนี่ยมารยาทงามมากนะเป็นมารยาทของชาวพุทธรุ่นโบราณเพราะไม่แย่งลูกศิษย์กั น, นะเนี่ยขนาดหลวงพ่อพุทธสอนหลวงพ่อหยูดทุกคราวที่เจอนะท่านยังไม่แย่งเลยนไม่แย่งว่ามาสิเราจะสอนให้ไม่บอกเลยนะมีแต่บอกว่าถ้าเรารู้แล้วเรามาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยผ่านมาหลายปีนะ อ่มาหลายปีจนหลวงพ่อพุดใกล้จะมารณภาพแนะล้วหลวงพ่อไปเจอท่านท่านประเทศที่องค์การโทรศัพท์ตอนนั้นหลวงพ่ออยู่องค์การโทรศัพท์หลวงพ่อพุทธเทศเสก็เข้าไปกราบท่านหลวงพ่อครับผมไม่พบหลวงพ่อนานแล้วท่านบอกว่าหลวงพ่อจําได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกเรียนท่านอีกบอกว่าหลวงพ่อครับผมยังทําลายผู้รู้ไม่ได้เลยหลวงพ่อพุทธท่านนะ หน้าตาท่าทางท่านเปลี่ยนไปเลยนะองอาจห้าวหารมากเลยทั้งๆ ท, ท, ที่ป่วยมากนะท่านพูดออกมาอย่างเฉียบขาดเลยบอกว่าจิตผูร้รู้เปรียบเหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองเข้าใจไหมจิตผู้รู้ก็คือจิตเราเนี่ยนะเหมือนกับไข่ไก่เงี้ย เมื่อลูกไก่ที่อยู่ในไข่มันโตเต็มที่นะมันจะทําลายเปลือกออกมาเองการทําลายตัวผู้รู้เนี่ยตัวผู้รู้มันจะทําลายตัวมันเองนะถ้ามันเติบโตเต็มที่มันเติบโตเต็มที่แต่หลวงพ่อพุทธท่านไม่บอกหลวงพ่อว่าทํายังไงมันโตเต็มที่แต่ท่านบอกแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าโอ้ท่านภาวนาไม่ธรรมดาแล้วนะท่านพูดถึงการทํำลายตัวผู้รู้อย่างห้าวหาญขนาดนี้นะภาวนาอีกนานนะภาวนามาเรื่อยทํำลายผู้รู้ไม่ได้หรอก จิตลึกๆมันรู้อยู่ว่าขาดอะไรบางอย่างรู้อยู่ว่าไม่รู้อะไรบางอย่างถึงปล่อยวางจิตไม่ได้นะมันรู้อยู่แค่นี้ไม่รู้ไม่รู้อะไรนะเนี่ยต่อมาค่อยศึกษาจากครูบาอาจารย์เพิ่มเติมอะไรไปก็ค่อยรู้ขึ้นมาาอ๋อมันไม่รู้อริยสัจถ้าเมื่อไหร่มันรู้อริยสัจนะมันจะปล่อยวางตัวจิตได้ เละน้การที่จะเข้ามาทำลายผู้รู้ทำลายปล่อยวางตัวจิตได้นะต้องรู้แจ้งอริยสัจอันนี้เราแถมไว้ให้นะพวกเราอยังไม่ถึงตรงนี้หรอกแต่บอกไว้ก่อนนานๆเจอกันทีเกิดหลวงพ่อไม่อยู่แล้วเกิดจะถึงตัวผู้รู้แล้วจะได้ทำลายผู้รู้ได้ทำลายผู้รู้ไม่ได้ทำด้วยวิธีอื่นไม่ได้ด้วยการกำหนดจิตไปเพ่งใส่มันไม่ได้แกล้งทาเป็นเออเออไม่รู้เรื่องทาสติแตกไม่ใช่แต่มันคือการรู้แจ้งอริยสัจแห่งจิต ถ้าวันใดเราเห็นความจริงว่าจิตนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆบางท่านเห็นว่าจิตเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงนะบางท่านเห็นจิตเป็นทุกข์เพราะมันถูกบีบคั้นบางท่านเห็นจิตเป็นทุกข์เพราะมันบังคับไม่ได้มันบังคับไม่ได้นะมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นเองการที่เห็นแจ้งว่าจิตเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพียงมุมใดมุมหนึ่งนะจิตจะปล่อยวางจิตเขาจะปล่อยของเขาเอง ทำไมต้องเห็นแจ้งตรงนี้แล้เป็นการรู้อริยสัจในบรรดาขันห้าทั้งหลายเนี่ยสิ่งที่เรายึดถือเหนียวแน่นที่สุดนะก็คือจิตสิ่งที่เราสําคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเรามากที่สุดก็คือจิตสิ่งที่เร า, ายึดถือเหนียวแน่นที่สุดก็คือจิตเงื่นวันใดที่เห็นความจริงว่าจิตไม่ใช่ตัวเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราวันใดไม่ยึดถือจิตก็จะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีกแล้วนะเพราะจิตเป็นศูนย์กลางของโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาล งั้นให้เราคอยมาสังเกตความจริงของจิตไปเรื่อยๆจิตนี้ไม่เที่ยงจิตนี้ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจิตนี้ไม่อยู่ในอำนาจสั่งให้ดีก็ไม่ดีสั่งห้ามชั่วมันก็จะชั่วสั่งให้สุขมันก็ไม่สุขนะห้ามทุกข์มันก็จะทุกข์มันไม่อยู่ในอำนาจจริงเนี่นเฝ้าดูลงไปเห็นแต่ของทึ่งไม่อยู่ในอำนาจไม่ใช่ฝึกจนมันอยู่ในอำนาจนะถ้าฝึกจนอยู่ในอำนาจก็คือไปเข้าไปควบคุมมันสําเร็จนั่นแหละไม่ปล่อยผู้รู้หรอก แต่ว่าไปยึดถือตัวผู้รู้ไว้อย่างเหนียวแน่นเลยแต่ก่อนที่พวกเราจะมาถึงจุดที่ทําลายผู้รู้เนี่ยอย่าเพิ่งรีบร้อนนะดูดูจิตมันเกิดดับดูจิตมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่อยๆไปถึงเวลามันทําลายของมันเองเหมือนลูกไก่ที่โตเต็มที่แล้วจะเจาะทําลายเปลือกเองอยู่ๆเราไปรีบตอกไข่นะแม่ไก่ออกมาปุ๊บแล้วเราอยากได้ลูกไก่เร็วๆวิ่ตอกไข่ออกมาไม่เจอลูกไก่อะใช่ไหมยังไม่เป็นตัว เหมือนจิตของเราตอนนี้นะอย่าเพิ่งไปทํำลายจิตนะอย่าเพิ่งไปทํำลายผู้รู้นะทําลายออกมาจะไม่เหลืออะไรเลยนะเหลือแต่ไข่เจียวนะไม่ได้เรื่องหรอกเหลือแต่ไข่ดาวนะนะพอมีจิตแล้วนะก็คอยรู้คอยดูของเราไปนะเฝ้ารู้เฝ้าดูเรื่อยไปถึงจุดหนึ่งเนะี่ยเมื่อสติปัญญามันบ่มเต็มที่แล้วเนี่ยมันจะปล่อยวางจิตด้วยตัวของมันเองนะนี่สอนให้แบบละเอียดแล้วนะ ไม่มีใครเ้าสอนอเราหรอกนะอย่างเนี้ยสอนแล้วมันเปลืองตัวนะนิดหลวงพ่อเรียนมาจากครูบาอาจารย์ท่านสอนมาอีกทีเรามาบอกต่อให้ธรรมะจะได้ไม่หายไปถ้าตราบใดที่ปล่อยวางจิตไม่ได้อย่างเวียนว่ายตายเกิดอีกจิตเหมือนเมล็ดของต้นไม้เหมือนเมล็ดของต้นมะม่วงเหมือนเมล็ดทุเรียนขนุนอะไรอย่างเนี้ยมีเมล็ดอยู่เมล็ดเดียวนะเอาไปเพาะ งอกต้นไม้ขึ้นมาอีกออกลูกออกหลานมาได้อีกเยอะแยะเลยจิตดวงเดียวซี่ยังไม่สิ้นเชื้อเกิดยังมีอภิชายังมีความไม่รู้แจ้งถึงอริยสัจซ่อนอยู่ภายในจิตดวงเดียวนี้แหละพาเราเวียนว่ายตายเกิดไปสู่ภพภูมิใหม่ๆสร้างขันห้าใหม่ขึ้นมาได้อีกนะ เ, เหมือนมเมล็ดมะม่วงสร้างต้นมะม่วงออกลูกมะม่วงมาได้อีกเยอะแยะเลยจิตดวงเดียวที่ยังมีเชื้อเกิดคือไม่รู้อริยสัจอยู่เนี่ย มันพาให้เราได้ขันห้าขึ้นมาอีกนะในพบปุ่มต่างๆเวียนว่ายไปเรื่อยงั้นเฝ้ารู้ไปนะเฝ้ารู้รู้ทันจิตใจของเราไปเรื่อยอย่าเข้าไปแทรกแซงจิตจิตเป็นยังไงให้รู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตสุขให้รู้ว่าสุขก็เห็นว่าความสุขก็อยู่ชั่วคราวจิตที่สุขก็อยู่ชั่วคราวจิตทุกข์ให้รู้ว่าทุกข์ก็เห็นว่าความทุกข์เป็นของชั่วคราวจิตที่มีความทุกข์อยู่ก็เป็นของชั่วคราว ความฟุ้งซ่านความหดหู่อะไรเกิดขึ้นอะไรความสุขความทุกข์ความดีความชั่วอะไรเกิดขึ้นก็ดูลงไปความโกรธก็ของชั่วคราวจิตที่โกรธก็ของชั่วคราวดูอย่างนี้เรื่อยไปนี่แหละเรียกว่าการเจริญปัญญานะถ้าเจริญปัญญาจนถึงขั้นปล่อยวางกายปล่อยวางจิตได้เราจะมีความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนเป็นความสุขที่ไม่กลับกรอกเหมือนความสุขของการเข้าสมาธิ ความสุขของการทำสมาธิเป็นความสุขที่กลับกรอกเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้จริงมันสุขอยู่ชั่วเวลาที่นั่งสมาธินั่นแหละพอออกจากสมาธิมันก็กลับมาทุกข์อีกนะเพราะงั้นมันไม่ได้สาระแก่นสารจริงเราก็ต้องมาพัฒนาจะให้เกิดความสุขที่ททเกิดจากปัญญารู้แจ้งเห็นจริงปล่อยวางความยึดถือในธาตุในขันเราจะเป็นอิสระที่แท้จริงมนุษย์นะ่ะใฝ่หาอิสระภาพนะแต่ละคนแต่ละคนต้อบอกตัวเองเป็นอิสระตัวเองเป็นอิสระ ความจริงไม่มีใครเป็นอิสระเลยทุกคนตกเป็นทาสของความอยากตลอดเวลาความอยากเป็นสั่งเราตลอดเวลานะเราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองหรอกแล้วเรามาฝึกจิตฝึกใจของเราวันหนึ่งเราเป็นอิสระเรามีความสุขเราโปรง่งโล่งเบากลางวันก็มีความสุขกลางคืนก็มีความสุขะแช่มชื่นเบิกบานร่างกายแก่ใจก็ยังมีความสุขร่างกายเจ็บใจก็ยังมีความสุขร่างกายจะตายใจก็มีความสุขนะ มีความสุขอยู่ได้ตลอดไม่ต้องพึ่งพาอะไรภายนอกมันเต็มอิ่มอยู่ในตัวเองพวกเราความสุขของเราอิงอาศัยสิ่งภายนอกนึกออกไหมเราต้องเจอคนนี้ถึงจะมีความสุขถ้าไปเจอคนนี้ไม่มีความสุขใช่ไหมเราต้องอิงอาศัยของข้างนอกเราต้องมีรับยี่ห้อนี้ถึงจะมีความสุขถ้ามียี่ห้อนี้ไม่มีความสุขอะไรเงี้ยต้องมีมือถือรุ่นนี้ไม่มีรุ่นนี้ไม่มีความสุขอะไรเงี้ย ยิงอาศัยของข้างนอกตลอดเลยต้องมีบ้านหลังใหญ่ๆก็มีความสุขบ้านหลังใหญ่ๆภาระเยอะจะตายไปนะมีแต่ภาระอําเห็นจะสุขตรงไหนเลยนะวันๆแทนที่จะได้เข้าบ้านแล้วนอนให้สบายนะทําความสะอาดแป๊บเดียวนอนได้แล้วนี่บ้านหลังเบืเ่อเลยไปทำแทบตายนะทําจนหมดแรงหอบแห้งแห้มีความสุขตรงไหนอ่ะ น, นะนั้นเราคอยดูนะเราจะได้พบความสุขภายในตัวของเราเองนะความสุขที่ไม่ยิงอาศัยของข้างนอก และเศรษฐกิจจะตกตม่มการเมืองจะวุ่นวายไม่ได้มาทำให้ใจของเราเสียความสุขไปได้นะอะไรเกิดขึ้นคนที่เรารักจะตายเราจะต้องเจอสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตเลยเนะี่ยจิตใจไม่หวั่นไหวเลยจิตใจจะเต็มอิ่มอยู่ในตัวของตัวเองเนี่ยธรรมมาของพระพุทธเจ้าอัศจรรย์ถึงขนาดนี้นะยังอัศจรรย์หลังจากนี้ก็มีอีกอยากฟังไหมมันหมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวจะว่าหลวงพ่อไม่ตรงเวลา คือในเมื่อเมื่อเราปล่อยวางจิตได้แล้วนะจิตมันจะพลากออกจากขันจิตกับขันห้านี่ยไม่กระทบกระทั่งกันอยู่ด้วยกันนะแต่ไม่กระทบกระทั่งกันคําว่าจิตพลากจากขันเนี่ไม่ใช่พลางออกมาเป็นสองอันไม่ใช่ถอดจิตออกจากกายนะจิตก็อยู่อย่างปกตินี่แหละแต่จิตมันไม่ยึดขันมันจะมีรู้สึกมีความรู้สึกเหมือนจิตกับขันแยกออกจากกันแต่ไม่ใช่ถอดออกไปนอกร่างกายนะ จิตกับความรู้สึกสุขทุกข์ก็แยกออกจากกันพลากออกจากการจิตกับความปรุงแต่งความคิดนึกปรุงแต่งก็พลากออกจากกันจิตมันพลากออกจากขันขันนั่นแหละเป็นตัวทุกข์จิตที่พลาดออกจากตัวทุกข์นะงั้นพระอรหันเนี่ยท่านก็ยังมีขันอยู่แต่ท่านไม่ไม่เกาะเกี่ยวในขนันขันเป็นตัวทุกข์เพราะงั้นพระอรหันไม่ทุกข์ไปกับขนันเรียกว่าท่านพ้นทุกข์ถ้าอยู่ไปเรื่อยดำรงชีวิตไปเรื่อยนะจนวันที่ขันแตกดับ ขันแตกดับพวกเราเรียกว่าตายถ้าอรหรันท่านเห็นว่าธาตุมันจะแตกขันมันจะแตกธาตุมันจะแตกอะไรเนี่ยท่านจะไม่หวั่นไหวเลยนะเมื่อธาตุแตกขันแตกแล้วเนี่ยจิตซึ่งบริสุทธิ์แล้วเนี่ยจะสลายตัวนะจะกายกระจายตัวรวมเข้ากับความว่างความว่างของจกักรวรรดนะความว่างถ้านเปรียบเทียบคล้ายๆไฟไฟที่มันติดอยู่เนี่ย พอถึงวันหนึ่งไฟถึงเวลาหนึ่งไฟมันดับไฟมันดับเนี่ยไฟไม่ได้สูญไปนะแต่ไฟเนี่ยกระจายตัวออกไปกระจายตัวความร้อนเนี่ยกระจายตัวเต็มโลกธาตุออกไปธาตรู้เนี่ยเหมือนกันธาตรู้เนี่ยพอถึงจุดนั้นนะมันจะทิ้งขันแล้วขันแตกขันดับแล้วไม่มีขันมาเป็นเครื่องผูกรั้งเกาะเกี่ยวอีกกลับไปแล้วมันจะกระจายตัวรวมเข้ากับพนิพานธ์จิตกับพนิพันธ์เข้าไปสัมผัสกัน นะความจริงสัมผัสตั้งแต่บรรลุพระอรหันต์แล้วละแต่ยังมีขันเป็นตัวถ่วงอยู่เพราะฉะนั้นพระอรหันต์เวลาที่ใกล้จะมรณภาพใกล้จะนิพพานเนี่ยท่านล่าเริงนะจะไม่เหมือนพวกเราเวลาใกล้าตายจะบางทีเสียดายเศร้าโศกนะจิตใจไม่สบายในขณะที่พระอรหันต์เนี่ยท่านครองขันอยู่เนี่ยท่านมีความรู้สึกว่าท่านแบกภาระอยู่ขันเป็นภาระที่ต้องคอยดูแลอยู่นะพอขันจะแตกถ้าจะแตกขันจะดับเนี่ยกลายเป็นความสบายของท่านนะ แต่ท่านก็ไม่ได้อยากให้มันแตกนะเข้าใจท่านเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างละวยังพระละหันไม่ได้กลัวตายแต่พระละหันก็ไม่ได้อยากตายะเป็นภาวะที่อัศจรรย์นนะพลังงานที่เหลืออยู่นะจิตท่านนั้นกลมกลืนเข้ากับความว่างไปแต่พลังงานนั้นไม่สูญหายไปไหนเพั้นพลังจิตของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์ยังดำรงอยู่นะถ้าพวกเรามีสมาธพิพอจิตใจเราสะอาดพอเนี้ย เราสัมผัสพระพุทธเจ้าได้ะจะรู้สึกสัมผัสพระพุทธเจ้าได้ครั้งหนึ่งมีคนลูกศิษย์หลวงปู่ดู่ใครๆได้ยินชื่อหลวงปู่ดูบ้างไหหลวงปู่ดูเป็นพระโพธิสัตว์ลูกศิษย์หลวงปู่ดูไปถามหลวงปู่ดูบอกว่าเนี่ยไปอ่านหนังสือจิตคือพุทธะของหลวงปู่ดู ล, ลงปู่ดูลสอนถูกหรือเปล่าเรื่องจิตที่ไปนิพพานเนี่ยหลวงปู่ดูบอกว่าถูก ลูกศิษย์ลวงปู่ดู่ก็ถามหลวงปู่ดูเลยว่าถ้างั้นที่หลวงปู่ดูสอนก็ผิดสิหลวงปู่ดูสอนเนี่ยมีพาลูกศิษย์ไปไหว้พระพุทธเจ้าในวิมานแก้วในพระนิพพานอีกนะท่านบอกก็ถูกของท่านเหมือนกันนะแต่ว่ามันคนละอันกันที่เท่าที่ไปสัมผัสได้ไปเห็นได้อะไรเนี่ยเป็นพุทธนิมิตนะถ้าพูดสมัยพวกเราหนั้นคือเป็นพลังงานที่ท่านจริงเอาไวนะ้ที่เราสัมผัสได้พระจิตของเรากระทบกับพลังงานนี้นะจิตจะแปลสภาพพลังงานนี้ออกมา เป็นสมมุติบัญญัตนะิก็จะเป็นรูปอย่างนี้เป็นบางทีคุยได้ด้วยซ้ำนะบางทีเทศได้ด้วยซ้ํานะแต่อย่าคิดนะว่าพระนิพพานเป็นอย่างนั้นพระนิ้ผานเลยนั้นไปอีกนะท่านสอนดีนะสอนดีไม่ต้องทะเลาะกันเลยอย่างบางคนนั่งสมาธิก็ เ, เห็นพระพุทธเจ้าถามว่าเห็นไหมก็เห็นเหมือนกันนะแต่ถามว่าพระพุทธเจ้ารึเปล่าจริงเป็นพลังงานของพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าหรอกให้นะฝึกไปนะสิ่งที่เราไม่รู้สิ่งที่เราไม่เห็นนั้นมีอีกมาก แต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไว้เพราะมันไม่เกี่ยวกับความทุกข์และความพ้นทุกข์แลการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ท่านสอนสโคบของพุทธศาสนาเนี่ยสอนเรื่องทุกข์กับเรื่องทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แค่นั้นเองสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือขันหานี่เองนะทางปฏิบัติก็คืออริยมรรคมีองค์แปดย่อลงมาเป็นศีลสมาธิปัญญาให้ไสิก ข, ขานะให้ฝึกเอาพวกเรามีโอกาสนะ มีโอกาสแล้วอย่าให้เสียชาติเกิดนะไม่ใช่เสียชาติเกิดออกจากชาติไทยมาไม่เป็นไรหรอกนะประเทศไทยมันก็อยู่อย่างนั้นแหละดีบ้างร้ายบ้างสุขบ้างทุกบ้างเป็นเรื่องธรรมดาของโลกเรามาอยู่ตรงนี้เราอยากไกลธรรมะก็แล้วกันไกลบ้านเกิดเมืองนอนไม่เท่าไหร่หรอกอย่าให้ไกลจากธรรมะธรรมะนี่แหละจะคุ้มครองเราคุ้มครองจากอะไรคุ้มครองจากความชั่วนะคุ้มครองจากความทุกข์ อย่างเวลาเราจะทำชั่วเนี่ยเราคิดถึงครูบาอาจารย์คิดถึงพระขึ้นมานะเราไม่กล้าทําชั่วเวลาเรามีความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเราเพึ่งคนอื่นยากนะยิ่งมาอยู่เนี่ยญาติพี่น้องก็ไม่ค่อยจะมีอะไรเนี่ยลําบากเราไ ม, ไม่ค่อยจะมีที่พึ่งเท่าไหร่หรอกนะเราเพึ่งธรรมะนะแต่ร่างกายเจ็บป่วยอยู่นะหรือล้มละลายยากจนลงอะไรเนี่ยใจมีธรรมะะใจเราก็มีความสุขอยู่ได้่ ะมีข้าวกินแต่และ ว, วันพอรอดตายแล้วก็มีความสุขอยู่ได้แล้วล่ะนะไม่ต้องรวยมาหาศาลหรอกแต่ว่าถ้ารวยได้ก็รวยนะพระเจ้าไม่ได้บอกว่าห้ามรวยเป็นคารวาสรวยได้นะแต่เป็นพลาห้ามรวย <c oughs> <c oughs> แต่อย่าไปโกงเขาเนาะแล้วอยากรวยต้องทํางานนะอยากได้คาถาไหมอยากได้นะตนลบภาพวดใหม่ๆอยู่เมืองกาฬ วันหนึ่งนะไปบิณฑบาตก็มีผู้หญิงคนหนึ่งใส่บาตรใส่บาตรเสร็จแล้วนะใส่ข้าวนะถือปิน่นโตตามมาวัดด้วยมาถึงวัดก็มาบอกเลยจานจานเป็นพระกรรมฐานขอหวยเออเห็นโอ้หลวงพ่อไม่รู้หวยหรอกถ้ารู้หลวงพ่อซื้อแล้วละ่ะนะอ้อเขาก็รู้สึกพระองค์นี้ไม่รู้หวย อาจารย์มีมีของขลังไหมที่พอมีแล้วรวยอะ่ะไม่มีตมายังไม่รวยเลยนะว่าพระองค์นี้หวยจริงๆนุ่งนะความนับถือนี่ลดลงแล้วชักจะมองปิ่นโตแ ล, แล้วลงทุนไม่ค่อยคุ้มค่านะบอกเอาตัวมงคนก็ไม่มีงั้นขอชายจีวอนหน่อยนะขอตัดผ้าจีวอนหน่อยตัดไม่ได้เรามีอยู่ผืนเดียว โอ้พระอะไรว่าแย่ทุกอย่างเลยสุดท้ายแกถามแล้วมีคาถาไหมที่ท่องแล้วรวยมีอยากได้ไหมอยากได้อานะ้าวจาไว้นะข้อหนึ่งอุทนานสัมปทาขยันหาทรัพย์อย่ามัวรีรองานสุจริตนั่นมีเกียรติพออย่ารั้งรอเร่งทํากินเร็วไวปว่าไม่เอาคาถาอย่างนี้ไม่เอาคาถาอย่างนี้นะจริงๆเพื่อเจ้าสอนเรานะให้ขยันทํามาหากินนะ พอได้มาแล้วรู้จักรักษาไว้ใช่ไหมไม่ปล่อยให้ทรัพย์วอดวายนะแล้วก็การครบกับคนคบคนที่ดีไม่คบคนร้ายทรัพย์สินก็วอดวายอยู่ดีชวนเราไปเสียหายนะแล้วก็ใช้ชีวิตที่พอดีนะมีไรายได้แค่นี้ใช้ชีวิตสูงขนาดนี้นะก็จนจนได้แหละเนี่ยคาถาแก้จนนะสี่ข้อถามท่านอาจารย์ได้ถ้าจำไม่ได้ท่านต้องรู้ดีกว่าหลวงพ่ออยู่ท่านบวชมานานล้ แกบอกเลยไม่เอาคาถาอย่างนี้ไม่เอาอยากได้โอมเพี้ยงรวยให้มึงรวยบ้านนี้อยู่แล้วรวยอะไรเงี้ยโอ้ทาไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่มีจริงหรอกทุกอย่างขึ้นอยู่ที่กฎแห่งกรรมคือการกระทำของเราเองนะอย่าไปหวังอะไรลมๆแรงๆหลวงพ่อได้ยินมาว่าคนไทยในอเมริกาเนี้ยชอบเล่นการพนันนะอย่าเล่นเลย อย่าเล่นเลยไม่ดีหรอกถ้าเล่นก็เล่นกับสามีเราเองพนันกันเองนะเงินไม่ออกกาบบ้านหรือพนันกับภรรยาเล่นกันอยู่สองคนนั่นแหละนะปลอดภัยดีนะอยากเล่นก็เล่นกันแค่นั้นแหละอยู่ไปเล่นที่อื่นนะพอหรือยังวันนี้จริงจริงสิ่งที่หลวงพ่อสอนให้นะเหลือเฟือสำหรับการปฏิบัติละ้นะสอนให้แต่ต้นทางเลยนะจนถึงปลายทางของการปฏิบัติล นันไม่ใช่เรื่องนั่งสมาธิเฉยๆนะแค่นั้นไม่พอหรอกนั่งสมาธิแล้วก็ต้องมาทำวิปัสสนาเจริญปัญญาเรียนรู้ความจริงของกายใจจนปล่อยวางความยึดถือกายใจได้จะสัมผัสความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนนะอวันนี้เอาเท่านี้นะใครจะมีความจําเป็นจะคุยกับหลวงพ่อเพื่อส่งกันบ้าน ก, กราบหลวงพ่อครับ ผมอยากอยากทราบว่าการฝึกเจริญวิปัสสนาและกรรมฐานและสมัสมฐารรมฐานอย่างคนธรรมดาสามัญนฮนะเวลาเข้าอปจาออปจัปอปมาสมาธและอปปจารสมาธินะฮะแล้วจะถึงฌานฌานสมาบัติจนอคารว่าตมีสิทธิจะถึงอภิญญาหกหรือเปล่าครับอภิญญาหกนะอย่าว่าแต่คารว่าตเลยพระยังได้ยากเลย อภิญญาหกเนี่ยเป็นความสามารถพิเศษเป็นปัญญาพิเศษเฉพาะตัวนะสะสมกันนานนะหลายภพหลายชาติหรอกแล้วบางทีได้ก็ได้ไม่ครบหกอันนนะได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยอะไรเนี้ย<ม>แต่ว่าอยู่ที่ฝึกเอาเอาล้างกิเลสดีกว่าเนาะล้างกิเลสเนี่ยมันเห็นต่อหน้าต่อตามันพ้นทุกต่อหน้าต่อตาอภิญญาเทวทัตได้อภิญญาห้านะ เทวทัศ์ได้ปิญญาห้าขาดอปิญญาหกข้อที่หกคือการล้างกิเลสของเราได้ข้อหกข้อเดียวพอแล้วอปิญญาห้าไม่ต้องได้ก็ได้เดี๋ยวเป็นลูกศิษย์เทวทัศตไปแ ล, แล้วอีกอย่างนะฮะเวลาเราตายแล้วจิตเราเดินทางจะไปสวรรค์หรือไปนรกเนี่ยแล้วจิตเราเดินทางรับเรารับรู้ต่างๆนะฮะแล้ว ร, รับรู้อะไรนะจิตที่เราจะเดินทางมาเราตายปุ๊บวิญญาณเราจะ จิตและวิญญาณที่เราจะไปตนกนรกหรือขึ้นสวรรค์จิตเราเดินทางใช่ไหมครับไม่ใช่จิตเกิดที่ไหนจิตก็ดับที่นั้นนะเวลาในขณะจิตสุดท้ายที่เราจะตายนะจิตมันจะหมุนนะจุดตีจิตนะมันเคลื่อนเคลื่อนจากภพนี้แล้วก็ดับลงไปแต่ในขณะที่มันเคลื่อนตัวอยู่ในภพนี้แหละก่อนที่มันจะดับเนี่ยมันเหนี่ยวนำเกิดจิตในดวงใหม่ขึ้นในภพใหม่เรียบร้อยแล้ว มันไม่ใช่จิตตัวเดิมถอดออกจากร่างไปเกิดใหม่นะแต่ว่ามันถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดไปยังจิตดวงใหม่แท้จริงจิตไม่ได้มีดวงเดียวจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลาถ้าเราหัดภาวนาเฝ้ารู้จิตอยู่เรื่อยเรเราจะเห็นนะเดี๋ยวจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับจิตเกิดที่หูเราก็ดับจิตเกิดที่ใจแล้วก็ดับจิตเกิดที่ใจเดี๋ยวก็เป็นจิตดีเดี๋ยวก็เป็นจิตร้ายจิตนั้นเกิดดับอยู่ตลอดเวลาละในชีวิตนี้เกิดดับอยู่แล้ว ไ ม, ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าจิตเป็นอมตะออกจากร่างนี้แล้วไปเข้าร่างใหม่นะไม่ใช่ดอกแ ล, แล้วอีกขอ<ช>้ขอนะครับเ <c oughs> มื่อเมื่อกายแตกวิญญาณเกิดเมื่อวิญญาณดับเราเกิดขึ้นมาเนี้ยใช่หรือเปล่าครับโอ้ถามยากมากเลย <c oughs> <c oughs> คือพอปฏิสนธิวิญญาณเกิดขึ้นนะอย่างลงเนี้ย นามรูปก็เกิดขึ้นเมืนะ่อมีนามรูปเกิดขึ้นวิญญาณก็เกิดขึ้นใจสัมพันธ์กันอยู่อย่างนี้นะมันไม่ใช่ตัวหนึ่งเกิดมาตัวหนึ่งดับไปอะไรอย่างนั้นเนาะเขาจใช่ครับกราบมัสการหลวงพ่อค่ะ โยมปฏิบัติมาได้ประมาณสี่ห้าปีโยมดูจิตชัดเห็นการเกิดดับแต่มาระยะหลังๆนี่บางทีโยมไม่แน่ใจว่าโยมดูอยู่หรือเปล่าแต่พอบางทีขยับตัวแล้วมันจะรู้สึกรู้ขึ้นมาแล้วก็เวลาอตอนแรกโยมเห็นจิตว่าเขาเกิดเขาดับเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจัง มาตอนนี้มันมองเห็นว่าเราบังคับเขาไม่ได้เลยเป็นไปได้ไหมคบท่านเป็นไปได้เนี่ยเราดูเกิดดับไปเรื่อยนะสุดท้ายเราไปเห็นอนัตตาเห็นบังคับไม่ได้ก็เป็นได้เวลาที่เราภาวนานะบางทีเราเห็นเกิดดับเกิดดับเนี่ยแต่เวลารู้แจ้งบางคนรู้แจ้งเห็นอนิจจังด้วยไปเข้าใจอนิจจังคนไปเข้าใจทุกขังคนไปเข้าใจอนัตตาเป็นไปได้ แล้วเขากลับไปกลับมานี่เป็นไปได้ไหมคะท่านได้แล้วจิตของโยมตอนนี้เป็นปกติไหมตอนนี้โยมตื่นเต็นค่ะนะกดไว้หรือเปล่ากดไว้นิดหน่อยค่ะไม่ใช่เหมือนจิตปกติใช่ไหมค่ะให้รู้ทันน ะ, ะจิตขณะนี้อยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอกอยู่นอกค่ะจิตออกนอกน ะ, ะลองย้อนกลับไปดูจิตสิเข้าได้ไห ม, ไมไดเด้งออกไหมพอไปดูมันดีดออกไหม เนี่ยไหลออกไปเปล่าออกค่ะ <laughs> นะให้รู้ทานหน้าว่าจิตไหลออกไปค่ะแสดงว่าอะไรแสดงว่าสมาธิไม่พอแล้วละ่ะนะ่ะยังไม่ได้เพ่งนะคะท่านือยังไม่ได้เพ่ ง, งไม่ได้เพ่งนะ <laughs> แต่ว่าทําสมาธิบ้างนะพุทโธไปอะไรไปแล้วจิตไหลออกไปแล้วรู้พอจิตไหลเราแล้วรู้รู้เนี่ยนะจิตจะเข้าฐานตอนนี้จิตไม่เข้าฐานนะค่ะนั่นมาตรการค่ะท่าน Um, I'm going to ask my question in English, and Jess, will you translate for me? Oh, Jess. <laughs> um, I've been. Thank you for bringing your teachings over here to us. Uh, I've been practicing samatha since I was very young, and uh, just more recently, I've been practicing mindfulness. And I'm wondering if you have any advice. Uh, for my practice. Batibat samatha deng te dek, นะครับแต่พึ่งประมาณปีก่อนเริ่มที่จะตามรู้ตามดูแล้วก็อยากรู้ว่าทำถูกหรือว่ามีแม่หลวงพ่อมีคําแนะนําหรือเปล่าครับคือขณะนี้เพ่งอยู่รู้ i n g You're bringing your attention. Do you know that you're doing that? Ah, e s a y o s i s o If you're doing samatha meditation, then it's okay to just focus in a little bit in a relaxed way. That's fine. But if you want to do vipassana, then you have to free yourself of any control. m i you're t h i n went to think. Do you know that? So try to keep noticing when the mind goes off to th think, and then you'll have that other type of concentration that arises. ขอบคุณครับขอบ s ุณเจษเจษอะไป here. ข้างวัดหลวงพ่อมาตั้งหลายปีแล้วเนี่ยเลยเป็นฝรั่งที่ฟังเทศเยอะที่สุดเลยว่าไงากราบนมัสการหลวงพ่อปาโมดค่ปะปาโมดโชด้วยป่ะค่ะใช่ค่ปะปา โ, โมดโชต้องสวนสันติธรรมเนียนะปาโมดปาโมดโชมีตั้งหลายองค์เนี่ยค่ะมีเรื่องตลกนะมีที่หนึ่งเขาจะนิมนต์หลวงพ่อไปแล้วหลวงพ่อคิวยาวงานยาวนะก็มาเป็นนิมนต์พระชื่อเดียวกันใช้แทนกันได้ ก็ดีเหมือนกันยมภาวนามาประมาณสักห้าหกปีแล้วคะ่ะก็เห็นความเกิดดับแล้วก็รู้ว่าบังคับไม่ได้แต่ว่าช่วงหลังๆที่ภาวนามามีความรู้สึกว่าจิตเหมือนออกไปติดอยู่ความว่างๆอะค่ะเอออย่าให้จิตไปอยู่ในว่างนะจิตไปอยู่ในว่างจิตไปอยู่ในเฉยเนะี่ยครูบาอาจารย์เตือนมากเลยอย่างหลวงปู่มั่นก็บอกระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าจิตไปติดว่างติดเฉยเนี่ยมันจะไม่ไม่รู้ทุกข์ไม่ยอมมาดูกายดูใจถ้าไม่ไม่ยอมมาดูกายดูใจไม่เจริญปัญญานะไม่พ้นทุกข์จริงหรอกพอวันหนึ่งมันหมดแรงจากการเท่งความว่างอยู่มกลับเข้ามาอยู่กับโลกมีความทุกข์เยอะกว่าเก่าอีกมัาไปอยู่ในว่างแล้วมันสบายใช่ค่ะแล้วบางครั้งที่โยมโยกใหม่อย่างเนี้ยยกที่มีสมาธิรู้ว่ามีสมาธิเพิ่มขึ้น แล้วมารู้ความรู้สึกที่มันแบบผุดผุดขึ้นมาเออมันรู้สึกทุกข์มากนั่นแหละมันจะทุกข์มากนะยิ่งเราหนีไปอยู่ในว่างเนี่ยพอเห็นอะไรผุดขึ้นมายิ่งทุกข์มากกว่าคนอนื่นอีกทำใจเข้มแข็งไว้นะค่อยๆดูไปเห็นมันผุดผุดเราเป็นแค่คนดูมันความสุขผุดความทุกข์ผุดกุศล อ, อะกุศลผุดเราเป็นแค่คนเห็นค่ะอย่าหนีไปค่ะแล้วเวลาที่เผลอไปเนี่ยแล้วรู้ตามพอพอ มีสติมารู้ปุ๊บเนี่ยจะรู้ว่ากิเลสนี่มันน่าเกลียดมากเลยอ่ะอย่าไปเกลียดมันนะกิเลสก็สอนไตรลักษณ์เหมือนกันเท่าๆกับกุศลนั่นแหละค่ะคําถามที่เจสเจสมานั่งเก้าอี้แถวที่สองหน่อยสิค่ะคําถามของโยมคือว่าจะทํายังไงกับเวลาที่จิตออกไปติดว่างเนีลยค่ะให้รู้ทันว่าจิตนี่ไปออกข้างนอกจิตไปอยู่กับว่างค่ะถ้ารู้ทันแล้วมันจะกลับเข้ามาเองแต่ถ้ามันไม่ยอมกลับ ก็ช่วยมันนิดหน่อยวิธีช่วยนะเอาความรู้สึกจับไว้ที่ลมหายใจแล้วหายใจเข้าไปความรู้สึกมันจะกลับเข้าข้างในนะมันก็เริ่มกลับเข้ามานะะแต่ว่าใช้วิธีนี้ใช้ครั้งเดียวสองครั้งนะหายใจถ้าไปทําตลอดแล้ว อ, อึนอาดตายเลยเจสบอกลูกศิษย์เชสว่าหลงไปคิดแล้วขอบขอบพระคุณพระอาจารย์มากค่ะ กับนบัตการ<ม>หลวงพ่อปาโมตรรมโ อ, มโอโชครับ อ, อ <c oughs> ผมปฏิบัติธรรมโดวยวิธีดาวน์โหลดนะฮะฟังธรรมของหลวงพ่อดาวน์โหลดหนังสือธรรมะของหลวงพ่อมา ป, ป, ปฏิบัติได้ประมาณหนึ่งปีก็ผิดบ้างถูกบ้าง<ม>นะฮะผมก็อยากจะผงการบ้านว่าที่ทําอยู่เนี่ยมันผิดถูก เห็งกิเลสไหมมีวิธีแก้ไขอย่างกิเลสไหมเห็นครับนะเห็นแล้วเป็นกลางกับมันไหมเห็นบางทีก็ยังยังตามใจมันนะฮะให้รู้ทันตรงที่อันแรกเลยสภาวะธรรมใดๆเกิดขึ้นรู้ทันอันนี้ยใช้ได้อันที่สองนะเมื่อสภาวะธรรมอันั้นเกิดแล้วเนี่ยจิตยินดีให้รู้ทันจิตยินร้ายให้รู้ทันนะใช้หลักนี้เรื่อยๆไป ขอบพระคุณครับแล้วเราจะจะให้มีวิธีปฏิปฏบัติมีมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรทำในรูปแบบไหมทาพยายามทำทุกวันครับพยายาม <ทำ S 2> ไปเรื่อยๆดีดีแล้วล่ะขอบพระคุณครับหมดแล้วเนาะมัสุการหลวงพ่อค่ะที่เมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าจิตนี่เกิดแล้วก็ดับจิตเดิเกิดแล้วก็ดับ จิตที่ดับเนี่ยแล้วก็เกิดใหม่เนี่ยมันเป็นดวงเดียวกันหรือเปล่าคนละดวงสิตลอดเวลาใช่ใชพระเจ้าอบอกว่ากายเนี่ยเป็นครูหาเหมือนถ้านะถ้าเราภาวนาจะรู้สึกเหมือนเป็นเปลือกเป็นถ้ำจริงๆเป็นที่อาศัยของจิตจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนนะเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้ยจิตไม่ได้มีดวงเดียวแต่จิต ดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีจิตอีดวงหนึ่งมาเกิดเนะี่ยมันคล้ายๆลูกกับพ่อถ้าพ่อมันรวยนะลูกมันก็รับมรดกไปถ้าพ่อมีนี้สินนะลูกก็รับความลำบากไปด้วยเพราะนั้นจิตดวงใหม่เนะี่ยทั้งๆที่มันไม่ใช่ดวงเดิมแต่มันรับวิบากจากจิตดวงเก่าส่งทอดไปให้ด้วย เมื่อแรกเรามีไฟมีเทียนนะแล้วเรามีเทียนอยู่เราไปต่อเทียนเข้ากับไฟอีก อ, กอกีเทียนอีกเล่มหนึ่งไฟติดขึ้นมาพอไฟติดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะบอกว่าไฟอันนี้กับไฟอันนู้นเป็นไฟอันเดียวกันเราก็พูดไม่ได้ใช่ไหมจะบอกว่าไม่เกี่ยวเนื่องกันเลยก็พูดไม่ได้เนาะนมัสการหลวงพ่ อ, อ, อขนาดเป็นคนลาวเป็นคนลาวบอก <c oughs> เป็นไรเป็นไ ฟังสิ่งดีของหลวงพ่อมานานแล้วแล้วก็การปฏิบัติก็ลองทำอย่างที่ว่าทำงานไปดูจิตดูใจไปบางครั้งก็ได้ผิดพทา ด, ด, ด, ดไปแล้วอยากจะถามอยากจะขอความเมตตาจากหลวงพ่อว่ า, าจะทำจังใดอีกต่อไปที่ทำอยู่ทำถูกแล้วนะทำถูกแล้วล่ะ มองเห็นไหมว่าร่างกายกับใจเนี่ยเป็นคนละอันกันบางครั้งก็ <นะ S 2> เห็นบางครั้งก็เผลอไปเ อ, อเวลาเผลอมันก็ไปรวมกันนะพอรู้ทานมีสติให้มันก็เป็นคนละอันกันแต่บางครั้งมั น, ม, นมันมีแต่ความสุขหลายกว่าอยากเฉยๆโ บ, บอยากเอาโบอยากเอาอันใดขนหดเป็นความทุกข์หรือโบเฉยๆอ๋อจิเป็นเฉยๆ จิตเฉยๆก็ดูไปนะเราไม่ได้ฝึกให้จิตเฉยๆนะถ้าจิตมันพอใจก็รู้ทันจิตไม่พอใจก็รู้ทันจิตเฉยๆก็รู้ทนนันมันอยากแบบจะว่าอ้ออันนั่นก็เป็นเหมือนธรรมชาติอ๋ออันนี่ก็เป็นเหมือนธรรมชาติก็มันเป็นอย่างนั้นแหละเพราะมันเป็นธรรมชาติแต่อย่าไปบังคับมันนะอย่าไปอย่าไปคิดนาค่อยๆดูค่อยๆรู้สึกไปเรื่อย ถ้าใจใจเราไปคิดนำปุ๊บนะั่นใจมันจะว่างๆนิ่งๆไปใจเฉยๆโดยจังสั้นละคะนัะอย่าไปคิดนำว่า<ม>เดี๋ยวมันก็ดับอันนี้ก็เป็นธรรมชาติอะไรย่างเงี้ยถ้าเรามีคิดนำแบบนี้นะใจมันเฉยๆไปเลยแล้วแล้วมันถึกหรือบอาคะนัยว่าไงนะแล้วมันถึกหรือเปล่าทํา<อ>ทํำยังได้มันถูกหรือเปล่าคือถ้าเห็นมันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปใจเราเป็นกลาง ไม่ยินดียินร้ายที่มันมามันไปอันเนี้ถูกแต่ส่ว่าพอมันมาเราก็คิดว่าเดี๋ยวมันก็ไปมันเป็นอันเดียวกับธรรมชาติอะไรเงี้ยเราไปคิดอย่างนี้นะแล้วใจมันเฉยขึ้นมาอันนี้ไม่ถูกมันมันมันเฉยเพราะเราไปคิดเอาของโยมเนี่ยใจมันนิ่งไปนิดนึงโดยนะใจมันริ่งไปโดยเราจะทำอย่างไรคะพยายามรู้สึกตัวขึ้นมาอ่ารู้สึกตัวรู้สึกตัวไว้ ะเพิ่มเพิ่มความรู้สึกตัวให้แรงขึ้นนิดหนึง่งรู้สึกตัวนะไม่งั้นใจมันจะไปติดนิ่งติดเฉยนะติดนิ่งติดเฉยแล้วก็มันอยากเหนือหน่อยเือมันจะขี้เกียจขี้คลานเฉยเฉยไปนะขี้เกียจก็ไม่ขี้เกียจก็ทําทําไม่ใช่ไหมท<ว>ี่ภาษามันไม่ตรงเดี๋ยวกันไม่สื่อกันห <laughs> มายถึงว่ามันเห็นอะไรก็เหนือ <laughs> หน่อยเนืยนะจะแปลว่าอะไรบ่า คือเห็นอะไรก็เฉยเฉยเมยไปหมดนะมันมันมันจะไม่เอาอะไรมันไม่เอานะแต่มันเอาให้ความนิ่งๆเนี่ยมันไปติดนิ่งๆโดยมันจะบอกว่าโอ้ยนี่ก็ผ่านไปเพราะว่าครั้งก่อนข้าในเคยทำสมถะแล้วก็แยกแยกแยกแยกแยกกายแยกกายไปก็เห็นก็รู้ แต่เดี๋ยวนี่มันมันบุปเป็นอีกแล้ ว, ลวก็ก็บ่อยากเป็นเอกแล้วก็ออรู้แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นคอยดูไปอีกนะดูกายไปแล้วแยกจิตไปด้วยความสุขความทุกข์กับจิตมันคละนกันนะน ก, นกุศลกุศลกับจิตเป็นคละอนกันแยกจิตด้วยนะให้ขอยแยกกายคอยแยกจิตบ่อยๆจิตจะได้ไม่ติดนิ่งติดเฉ ย, ยแล้วก็พยายาม ทุกๆคืนจะบวชขาดทาวัดดีอขอบคุณพระหลวงพ่ออย่าให้เฉยๆเนาะหลวงพ่อมีลูกศิษย์อยู่ลาวเยอะนะในเมืองลาวเนี่ยฟังซีดีเยอะเลยหลวงพ่อครับขอคำถามสุดท้ายนะครับก่อนจะถามคำถามนี้ขอเข้ามาหลวงพ่อก่อนนะครับผมจะขอ อนุญาตชำแหละจิตของหลวงพ่อสักนิดหนึ่งนะครับอืลองดูเพื่อเป็นวิทยาทานของพวกเราทุกๆคนนะครับว่าหลวงพ่อมีเทคนิคอย่างไรในการอ่าดําเนินจิตในขณะนี้เพราะว่าขณะที่หลวงพ่อขยับหลวงพ่อพูดหลวงพ่อเดินหรือว่าขณะที่ผัสสะเนี่ยหลวงพ่อทํำยังไงเพราะจิตหลวงพ่อมันอยู่คงที่สว่างแล้วก็ไม่ไปไหนการที่ทําให้จิตถึงขนาดนี้หลวงพ่อใช้เทคนิคอย่างไรและในขณะเนี้ยหลวงพ่อทําอย่างไรครับ มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะพอทำไปเนี่ยแล้วมันเป็นเองหรอกไม่ต้องรักษาหรอกอย่าถามเลยถามยากไป <c oughs> <c oughs> ถามแล้วมันตอบยากนะ <c oughs> คืออะไรเป็นเหตุเหตุที่ก็ใช้เจริญปัญญาไป มีสตริรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้ามันเห็นความจริงของกายของใจมันปล่อยนะมันเป็นของมันอนะเมื่อก่อนไปถามหลวงปู่นะว่าหลวงปู่ครับจิตอยู่ที่ไหนหลวงปู่บอกจิตไม่มีที่ตั้งท่านบอกว่าจิตจริงแท้ไม่มีการไปไม่มีการมานะครูบาอาจารย์สอนไว้เยอะเลย หลวงพ่อ้าหาดัดเนื้อแหละดูกายดูใจมาด้วยด้วยส่วนมันจะเป็นยังไงมันก็เป็นของมันเองไหละทำไมไม่ดูจิตตนเองก <c oughs> ิเลสมันลากไปสงสัยครับหลวงพ่อ <c oughs> ครับผมแล้วช่วงนี้นะครับอ่า ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อนะครับที่เมตตาให้ธรรมะกับพวกเราทุกๆคนนะครับวันนี้หลวงพ่อเริ่มต้นตั้งแต่อริยสัจสี่นะครับถือว่าเป็นธรรมะขั้นสูงที่พวกเราจะได้นําไปใช้ปฏิบัติเพราะความหลุดพ้นอย่างแท้จริงนะครับแล้วผมก็ขออนุโมทนากับพี่น้องทุกๆท่านนะครับวันนี้พวกเราทําตัวเป็นพุทธมาังมากะที่ดีนะครับหน้าที่ของพวกเราคือมีหน้าที่ให้สงศ์ได้รับประทานอาหารให้อิ่มและสมบูรณ์เพื่อจะนําพลัง ไปปฏิบัติธรรมเพื่อให้พวกเราได้ศึกษาธรรมะหน้าที่ของพวกเราคือทําให้สงได้มีจิตใจที่บริสุทธิ์มีความสุขเพื่อ น, นําเอาธรรมะ แ, ะและปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่หน้าที่ของพวกเรามีนหน้าที่ในการให้สงได้เดินทางมาสั่งสอนให้พวกเราพวกเราทําหน้าที่ของเราเต็มที่เพื่อจะให้ครูบาอาจารย์ได้มาทําหน้าที่แบบนี้นะครับช่วงนี้ผมก็อยากจะขอเวลานี้นะครับขอโอกาสหลวงพ่อในการกราบขอเข้ามาหลวงพ่อนะครับ ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะได้เจอหลวงพ่ออีกข้างหน้ามันไม่แน่นอนและคําสอนคําสอนของหลวงพ่อนะครับท่านบอกว่าทุกอย่างในาศาสนาพุทธไม่มีคําว่าบังเอิญ น, นะครับการที่พวกเราได้มาฟังธรรมของหลวงพ่อในวันนี้ถือว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญ น, นะครับเราทั้งหลายอาจจะได้ทํากรรมไว้ร่วมกันนะครับอาจจะเป็นกรรมกรรมดีหรือกรรมชัว่วผมอยากจะขอโอกาสนี้เป็นตัวแทนของทุกๆคนนะครับในการกราบขอเ ข, ข้ามาหลวงพ่อในช่วงนี้นะครับ ขอทุกท่านน้อมจิตตามผมนะครับกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามกรรมชั่วอันใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ได้เคยกระทํากับหลวงพ่อปราโมทปราโมชโชไม่ว่าทางกายวาจาแล้วก็ทางใจขอหลวงพ่อได้โปรดให้อภัยแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดอภัยนะอภัย